อ้อ น, นั่นปาดรอบเฉยๆแต่ที่อ้อนก่อนพูดที่ยังค้างๆเัาไว้ก็พูดเรื่องเจตนาพูดเรื่องกรรมใช่ไหมในเรื่องกรรมนี่เรื่องใหญ่แล้วก็อืม <c oughs> ก็คือพูดถึงในเรื่องของกรรมเนี่ยจำแนกตามคุณภาพหรือตามธรรมะที่เป็นมูลเหตุก็แบ่งไปท้องอย่างเป็นอกุศลกรรมก็คือกรรมที่เป็นอกุศลการกระทาที่ไม่ดีกรรมชั่วก็หมายถึงการกระทาที่เกิดจากอากุศลมูลก็มีโลภะโทสะและก็โมหะใช่ไหมอันนี้เป็น เป็นความหมายของคําว่าอากุศลกรรมส่วนประการที่2ก็คือกุศลกรรมกรรมที่เป็นกุศลการกระทําที่ดีหรือกรรมดีก็หมายถึงการกระทําที่เกิดจากกุศลมูล3อโลพาความไม่โลภอโทสากความไม่โกรธแล้วก็อโมหะหมายถึงปัญญานี่ยเขาจําแนกเป็น2กลุ่มกลุ่มกุศลกรรมและอกุศลกรรม หร อ, อกุศลกรรมหรือกุศลกรรมทีนี้ถ้าจำแนกตามทวารล่ะทวารก็แป็ว่าทางที่ทําให้เกิดกรรมหรือการแสดงออกก็จัดเป็น3ก็คือกายกรรมกรรมที่ทําด้วยกายหรือการากระทําทางกายออกมาเราทํากันตลอ ด, ลอดไหมกายกรรมเนี่ยแล้วก็วจีกรรมกรรมที่ทําทางวาจานี่ยหรือทำด้วยวาจาอันนี้เป่งวาจาพูด แล้วก็มโนกรรมกรรมที่ทําด้วยใจหรือการกระทําทางใจเนี่ยนี่ถ้าถ้าพูดอย่างนี้ก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่ละอย่างก็แยกเป็นกุศลอกุศลเช่นกายกรรมที่เป็นกอกุศลวจีกรรมที่เป็นอกุศลมโนกรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมแต่ไปแยกจอดลงไปก็กายกรรมที่เป็นอกุศลก็จอดลงไปที่ฆ่าสัตว์รักทรัพยาไ ป, ประพุทิป็นไกรรม วจีกรรมที่เป็นอกุศลก็พูดเท็จส่อเสียดคําหยาบเพื่เอเย้เมตกรรมที่เป็นอกุศลก็คือโลภโกรธแล้วก็เห็นผิดทีนี้ถ้าเป็นฝ่ายกุศลก็กายกรรมที่เป็นกุศลก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมวิจีกรรมที่เป็นกุศลก็คืองดเว้นจากการพูดเท็จก็เป็นการพูดคําสัตว์คําจริงไปใช่ไหมงดเว้นจากการพูดส่อเสียด ก็พูดคําสวักสมานจำเมกี้หมดเว้นการพูดเพ้อเจ้อก็พูดคําที่เป็นสาระหมดเว้นจาการพูดคํำยาวก็พูดวาจาอหวานเนี่ยส่วนมโนกรรมที่เป็นกุศลก็คือไม่โลภไม่โกรธแล้วก็เป็นสัมมาทิฏฐิถามว่ากายกรรมที่เป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลวัชิกรรมที่เป็นอกุศลมโนกรรมที่เป็นอกุศลเนี่ยอันไหนหนักที่สุดกายกรรมวัชกรรมมโนกรรม ทัทงไหนหนักตึกกายกรรมนี่หนักไหมฆ่าสัตว์นี่ฆ่าสัตว์กับการคิดให้สัตว์วิบัติเนี่ยหรือคิดฆ่าเขาเนี่ยไอตัวไปฆ่าสัตว์เนี่ยทางไหนมันหนักกว่ากัน <c oughs> เห็นไหมจริงๆเนี่ยทางด้านพระศาสนาอามนโนกรรมนี่เป็นหลักเลยตรงนี้มีปัญหาเถียงกันระหว่างนิครนเนี่ย ท่านมีมองว่วกายทันท่าวจีทันท่าเนี่ยเป็นกรรมที่หนักกว่ามโนทันท่าก็หมายความกายกรรมวจีกรรมหนักกว่ากว่าทางใจอย่างินเพราะว่าแม้แค่คิดอย่างเดียวไม่เห็นจะบาปเลยแต่ถ้าไปลงมือทำนี่รู้บาปใหญ่เลยอย่างเงี้ยเนีก็เลยมองรักษณะอย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าก็เลยว่าว่าเออมโนกรรมนี่หนักกว่า เราเห็นอย่างนั้นไหมว่าโมโนกรรมมีหนักกว่ากรรยายกรรมและพจีกรรมเพราะโมโนกรรมนี่เป็นตัวกํากับแล้วก็กลุ่มทุกอย่างโลกนี่สาเร็จมาได้หรือถูกทำลายได้ก็เพราะกัมานุภาพของโมโนกรรมนี่แหละทีนี้ไอตัวโมโนกรรมเนี่ยที่เคยกล่าวไว้บ่อยและหลายครั้งก็คือว่าอย่างเช่นในบรรดา ความโลภนะอกุศลกรรมเนี่ยความโลภความโกรธแล้วก็ความเห็นผิดเนี่ยกรรมสามอย่างเนี่ยกรรมไหนแรงที่สุดเนี่ยกรรมวิชาทิฏฐิใช่ั้ยและในขณะเดียวกันก็คือไม่โลภไม่โกรธได้สัมมาทิฏฐิไอ้กรรมที่มีผลมากที่สุดแล้วก็ดีที่สุดก็กลายเป็นสัมมาทิฏฐิขเงอาแต่นี้ลองลองมามองดูไอ้ตัวโมโนกรรมเนี่ยแหละ ถ้าเราเห็นบอกว่าวิ่าไม่ใช่โลภเนี่ยไอความโลภความอยากได้ทางมนโนกรรมเนี่ยเราโลภอยากได้สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนเองบุตรของคนอื่นมาเป็นของตนเองสามีภรรยาบุคคลอื่นมาเป็นของตนเองก็แล้วแต่เนี่ยไอความโลภอยากได้ทั้งหลายเหล่านี้ก็น้อมมาเป็นของตนเองเนี่ยมันจะบาปได้ยังไง นึงเกิดความโลภสองน้องเอาสิ่งนั้นมาเป็นของตัวเองไอ้ความคิดแบบเนี้ยเราก็มองว่ามันไม่น่าบาปใช่ไหมจริงไหมจริงหรือความโกรธเวลาเกิดขึ้นมาแล้วก็คิดทําลายเนี่ยคิดให้เขาวิบัติคิดให้เขามีอันเป็นไปเนี่ยไอ้ความคิดรักไหนที่เป็นพยาบาทมนโนทุจริตเนี่ยมันครบองค์อย่างเงี้ยทีนี้ไอ้ที่มันหนักที่สุดก็คือการเป็นในตัวมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิที่เห็นว่า ถ้าปลามากินเป็นอาหารจะบาปเองไม่บาปหรอกเป็นอาหารของเราเหไห ม, มแมลงเลยศัตรูพืชทั้งหลายเหล่านี้ก็ยาฆ่ า, มาแมลงไปฆ่าก็จะไม่มีบาปได้ยังไงหรอกมันไม่มีผลหรอกเพราะจริงๆแล้วสิ่งเหล่าเนี้มันก็ต้องทําลายไม่ทําลายแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงเป็นต้นเนี่ยไอ้ความคิดในลักษณะเนี้ยทีนี้ความคิดถามว่าความคิดที่เป็น ไอเหตุกาธิ์ทปฏิเสธเหตุนัิกาธทีิปฏิเสธผลอักริยะที่เนี่ยปฏิเสธทั้งเหตุและผลเรเป็นยังไงอ่ะเรานึกว่ามันเกิดยากเลยอ้าวยกตัวอย่างเช่นล้วบอกว่าค่าปลาเนี่ยค่าหมูค่าเป็ดค่าไก่ ถ้าวัวควายทั้งหลายเพื่อเอามาเป็นอาหารของมนุษย์มันจะบาปได้ยังไง <c oughs> อันนี้เป็นการปฏิเสธอะไรเป็นเหตุการที่ฐิไหมเป็นการปฏิเสธเหตุไหมว่าทําเหตุอย่างนี้มันจะได้ผลอย่างนี้เี่เป็นเห็นไหมเนี่ยไอ้เป็นเหตุการณทีฏนี่เป็ น, นเป็นวิชาทิฏฐิขั้นรุนแรงนะจริงๆแล้วแล้วก็บอกว่า ถ้าค่าปลาค่า ก, กบค่าเขียดค่าไก่ค่าหมูค่าวัวค่าควายเนี่ยมันจะไปได้รับผลให้ต้องตกนรกอบายทุกขติวิบัตินรกนเป็นไปไม่ได้มันเกิด ม, มันเป็นอาหารของมนุษย์เป็นนัติการทิฏฐิไหมไปเสดผลได้ไหมและการคิดในการที่ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไอ้ฆ่าสัตว์พวกนี้ที่มาเป็นอาหารของมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีมันไม่ได้เป็นบาปแล้ว มันไม่ได้เป็นบาปและมไม่มัมนไ ม, ม่ผลบาปอะไรต้องไปรับหลอกไอกรณีอย่างเงี้ยเป็นอัคริยาทิฏฐิด้วยเป็นการปฏิเสธทั้งเหตุและผลด้วยนี่แหละเขาเราียกว่ามิจฉาทิฏฐิเยอะไหมเออคนที่เห็นอย่างเงี้ยที่เอียเห็นว่าเพ้อเพอเราเคยเป็นได้ทําไมไ อ, ไอความเห็นแบบเนี้ย อ้าวในอดีตที่ไม่เคยมาศึกษาพระธรรมเป็นไหมเห็นอย่างนี้ไหมเป็นมั้ยเป็นเห็นไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้เองเป็นมั้ยเห็นอย่างนี้ไหมนี่เห็นมไหมแม่งเห็นเห็นว่าเป็นอย่างนี้จริงไหมว่ามันไม่ได้บาปอะไรใช่มไหมเพิ่งไปเดินดูเขา ยืนดูด้วยความสะใจด้วยต้องเออเออดีดีเห็นครับว่าวิ่งปั๊บปั๊บมาแหมสวยนึกมันเกิดมาเป็นอาหารเขาก็ว่างั้นเลยนะนึกยังนะนึกนึกเหียนใจเขาแก่นี้วันนี้จะสั่งกี่กิโลดีอ่ะโทรไปขอห้าโลสามโลสี่โลเคยมั้ย มันเป็นอย่างนี้จริงงั้นเรานึกว่าแต่โอ้ถ้าไปดูในคัมภีร์เนี่ยไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปบาปไม่มีบุญไม่มีพ่อแม่ไม่มีคุณอะไรก็แล้วแต่ลโลกนี้โลกหน้าทั้งหลายเหล่านี้เราก็นึกว่าโอ้เราไม่เป็นที่ไหนแต่พระเจ้าก็จริงเฮ้ยเฮชักไม่ได้เรื่องก้าการรมวิชาที่ถี่ ท, ทาให้เกิดอะไรทำให้อะไรเกิดขึ้น ว่าเกิดในอัตภาพใดแล้วก็ทำให้เกิดกระแสะชีวิตก็ห่างไกลพระสัทธรรมห่างไกลพระสัทธรรมแล้วก็จะท่านหนักสุดก็เป็นคนป่านคนป่าคนดอยคนต่างๆคนอยู่ห่างพระสัทธรรมไอ้ที่ถ้ายังไม่ค่อยหนักหน่อยก็คือประเภทที่เห็นเป็นวิชาที่เถี่ยแม้อยู่ใกล้ พระพุทธเจ้าก็ไม่มีโอกาสได้เจอพระพุทธเจ้าก็อย่างนิครนนาตบุตรเนี่ยนิครนนาบุตรเนี่ยเป็นศาสดาที่อยู่ในใกล้ๆพระพุทธเจ้าด้วยแต่เชื่อไหมว่าไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าเลยไม่เคยเจอเลยสวนกันไปสวนกันมาไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ยังไปเจอเนะอุบาลีก็ท่ อ, องบทดีเป็นตน้นอัไรนี้ที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยยังเจอได้รึเปล่ แนี้คร่นไม่เจอทำ อ, อะไรทั้งไม่เจอเพราะตั้งสมาทานไว้ว่าแง่กรรมที่การกระทาความเห็นผิดที่การกทําเป็นตัวกัน้นทําให้ตนเองไม่มีโอกาสได้เจอแสงของปัญญาเลยแล้วก็ไม่ปรารถนาที่จะเจอแม่กลัวเนะ้อตัวมิจฉาทิจี่ดยเรายิ่งสั่งสมวัฏยาสัยที่ความเห็นผิดอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยที่กระแสะชีวิตเราก็จะหะ่างวัฏธรรมไปเลย แล้วเราก็เป็นได้แค่เจ้าลัทธิที่สอนคนผิดผิดถ้าจะยิ่งใหญ่หน่อยก็เป็นแค่นั้นเทําทำไปไม่ถึงเราจะทำยังไงวิธีแก้ไข <c oughs> วิธีแก้ไขทำไงไเออเรารำเกียกทํทำไงดี อ๋อนี่เริ่มเป็นแล้วก็ฮัลโหลเลยเนี่ยแต่เขาบอกว่าวันนี้ไม่มีมีเตปลาเป็นจะทำไง บางคนก็ถือว่าร้านอาหารเนี่ยต้องต้องเป็นสดๆอะไรพวกนีน้ที่เขาไปกินไปอะไรบางทีมันมันมีปลาอยู่นึงวไปกี้เชี่ยวหรือกุ้งตัวนี้ตัวนี้เมียกไปเชี่ยวกันึง ชีวิตเอาอีกอย่างหนึ่งนะนี่เขาจาแนกนี้ตรงนี้ก็พิจารณาเห็นว่าในขนาดเดียวกันก็คือไม่โลภไม่โกรธได้สมาทิฏฐิเนี่ยมันก็เป็นกุศลที่มีกําลังมากเลยไอ้ตรงนี้โดยเฉพาะการขับเคลื่อนกระแสชีวิตที่เป็นไปตามสมาธิฏฐินี่ตรงนี้สําคัญที่สุดนลทีนี้ในด้านของการมอีกอย่างหนึ่งที่ท่านจําแนกเนียสภาพสัมพันธ์กับวิบากคือการให้ผลเป็นสีอย่าง กรรมดำมีวิบากดําก็ได้แก่กายสังขารวจีสังขารมโนสังขารที่เป็นการเบียดเบียนเนี่ยตัวยอย่างเช่นการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมพูดเท็จ ส, ส่อเสียดคำหยาเพื่อเจอือดื่มสซดาเมรัยเนี่ยนะแล้วก็พูดความโลภโกรธหลงทั้งหลายเหล่านี้เป็นกายสังขารการปรุงแต่งกายที่เป็นอกุศลการปรุงแต่งวจีกรรมที่เป็นอกุศลแล้วก็การปรุงแต่งใจที่เป็นอกุศลนี่ก็เรียกว่ากรรมดำํา มีวิบากดำก็อันนี้ตรงกันนะกรรมดำมีวิบากดำกรรมขาวมีวิบากขาวได้แก่กายกรรมกายว่ากายสังขารวจีสังขารและกรรมโนโสังขารที่ไม่เบียดเบียนตัวอย่างก็คือการประพฤติกุศลกรรมบท10บในตัวกุศลกรรมบท10นี่ถ้าเราสามารถเดินกระแสชีวิตของเราให้ตั้งมั่นให้เจริญอยู่ในกุศลกรรมบท10นะกายกรรม กายสังนขานการปรุงแต่งกายที่เป็นไปกับการไม่ฆ่าไม่ลั ก, ไ ม, ลกไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่ของมึนเมาใส่ในกระแสชีวิตเป็นต้นแล้วก็วิจีสังขารการพูดวาจาที่จริงคําที่เป็นประโยชน์วาจาที่อ่อนหวานถูกการแล้วก็พูดด้วยเมตตาพูดด้วยกรุณาเป็นต้นอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นแล้วก็ไม่โลภไม่โกรธแล้วก็เป็นไปกับสัมมาทิฏฐิเป็นต้นอันนี้เป็นกรรมขาวมีวิบากขาวเป็นไปกับกุศลกรรมบท10 กรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวได้แก่กายสังขารวจีสังขา ร, ร, ขารมโนสังขารที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่เบียดเบียนบ้างเนี่ยก็คือของมนุษย์เรานี่แหละโดยมากเราตรงเนี้ย เ, เกิดกลัวกันเนี่ยเดี๋ยวก็ฆ่าสัตว์เดี๋ยวก็ไม่ฆ่าสัตว์เดี๋ยวก็ลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมเดี๋ยวไม่ประพฤติดในกรมนี่ยพูดเท็จพูดคําจริงเป็ตนต้นสลับกันอยู่อย่างนี้นะคือกรรมทั้งดําและขาวมีวิบากทั้งดําและขาวเหมือนอะไรเนี่ย กระแสชีวิตของเราก็โดยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เยอะไหมมีบากทั้งดําทั้งขาวทํากรรมดําทําขาวอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยเกลือกกลัวกันอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็น้ําใสเดี๋ยวก็น้ําคล้ำ ก, ก, ก, กันอยู่นี่แหละลุยน้ำเดี๋ยอ้า <c> ว <oughs> บางช่วงก็น้ําใสบางคราบางคราวก็เป็นน้ําคล้ำเลยประการที่สี่กรรมไม่ดําไม่ขาวมีวิบากไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม ได้แก่เจตนาเพื่อละกรรมทั้ง3อย่างข้างตน้นเรามีเจตน า, าที่จะละบาปไหมมีเจตน า, าที่จะละบุญไห ม, หมก็คือถ้าเราทำกุศลมันก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาใช่ไหมเป็นพรหมก็ว่าไปก็คือทำกุศลที่เป็นกรรมขาวก็เป็นไปในวัตจั ต้องเวียนไหว้ตายเกิดอยู่ล่ําไปคนบางคนมีเจตนาฆ่าสัตว์รักทรัพย์เอาพืชผิดในการมไปเลยว่างั้นเถอะมีเจตนาพูดเทศต่อเสียดคำหยาบมีเจลจํนนมาในการโลภโกรธหลงไปเลยแต่บางคนก็มีเจตนาไม่เอาแล้วจเจริญกุศลกรรมบวดีกว่าก็คือเป็นไปในสุคติโลกสวรรค์ก็แล้วกันบางคนก็ชีวิตมันก็ต้องมีเกิดกลัวบ้างเดี๋ยวบุญเดี๋ยวบาปว่างั้นเถอะ แล้วจะไปทำแต่บุญอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมีบาปมาแทรกบ้างบุญแทรกบ้างไปอย่างนี้ชีวิตของโยมก็เป็นอย่างนี้แหละไอ้กรรม3อย่างเนี่ยข้างต้นเป็นอย่างนี้1กรรมดำํามีวิบากดํา2กรรมขาวมวีบากขาว3กรรมทั้งดําและขาวมีวิบากทั้งดําและขาวพระเข้ากันไปส่วนประการที่4กรรมที่ไม่ดําไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมหมายถึงเจตนาที่เจตนากรรมที่จะละกรรม3อย่างข้างต้น เจตนาที่จะละกรรมดำําเจตนาที่จะละกรรมขาวเจตนาที่จะละทั้งกรรมดําและทํากรรมขาวเรามีเจตจำนงแบบนี้ไหมถ้ามีเจตนาอย่างนี้เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเนี่ยจะหมายถึงการเจริญโพชฌงการเจริญมรรคแการเจริญอินทรีย์5พระหโ พ, พชฌงเจ็ดอริยามรรคมีองค์8ทั้งหลายเนวนเตอร์เหล่านี้เป็นการมีเจตจำนงในการที่จะดําเนินไปตามมัชฌิมาปิปท า, าต้องการจะพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ อันนี้เป็นเจตนาที่ละกมดำละกมขาวละทั้งกมดำและกมขาวที่คลาเคล้ากันไปเรามีเจดจำนงแบบนี้ชัดหรือไม่ชัด <c oughs> ชัดไหยไม่ชัดก็ไปอยู่ในกรมดำกมขาวหรือกมทั้งดาอยู่กรประกลุ่มไหนในสี่กลุ่มเนี่ยอยู่กลุ่มไหนมากชีวิตเราตอนนี้ทั้งดำขาวใช่ไหมงั้นขยยบไปอยู่ที่สีได้ไหมเนี่ย อยู่ข้อที่4ให้ชัดเม้งปังออกไหมข้อที่1กรรมดํามีวิบากดําข้อที่2กรรมขาวมีวิบากขาวข้อ3มีวิบากทั้งดําและขาวคลาข้ากันไป3อย่างนี้ต้องละไหมกรรม3อย่างเนี้ยต้องละใช้อะไรละเกียจนง侬ในไหนเกตนาเพื่อละกรรมดําทั้งแเป็น ว่าโดยองคธรรมได้แก่โพธชงหรือมรค8ดถ้าใครจเจริญโพชง 7, จเจ็ดเจริญมรคมีองค์ดเจริญสีน ส, สมาธิปัญญาเป็นไปเพื่อความพ้นจากกิเลสและกองทุกข์อันนี้ก็เรียกเจ็ดจำนงที่ละกรรมสามอย่างข้างต้น <c oughs> แข็งแรงกันไหมแข็งแรงั้มอะไรทาให้เหตุทำให้เาราเบืลอ เป็นว่าอะไรตรงนี้ไม่น้อยแล้วมัง้งตอนนี้ได้เยอะแล้วนี่แล่ตอนนี้เข้าใจ ย, ายังยังอกีกหน้าหัวจับห้อยลงอย่างนี้แล้วก็ถามกลัวตายไหมขา ข, ขึข้นกังวลกลัวไหม ตรงนี้ก็คือถ้าเราจะแก้ไขเนี่ยเราระหว่างกายกรรมปรจีกรรมมนโนกรรมเราแก้ไขที่ไหนแก้ไขที่มนโนกรรมตอนนี้ที่กําลังฟังเนี่ยเราใช้อะไรที่มาทําความเข้าใจอยู่ยใช้กายกรรมปรจีกรรมหรือใช้มนโนกรรมเนี่ยมนโนกรรมสำคัญเป็นเรื่องใหญ่ไหมเป็นเรื่องใหญ่ก็ขนาดให้ข้อมูลขนาดนี้ก็ยังไม่แข็งแรงกันอแล้วจะว่ายังไงทีแล้วจะว่ายังไงเนี่ย มันเป็นบาปรกรรมของใครเนี่ยนิ น, นทำไมที่ที ก็ยังในชีวิตจริงเราในเวลาเราถวายอาหารเนี่ยไปบินทบาทแต่อาหารมาถวายได้สงจัดเสนาสนะจัดอาหารมาวางวางวางไว้แล้าไปถวายพระสงฆ์แล้วก็มีเจตนาโอ้ยได้ทำบุญได้ทำบุญได้ทำบุญใช่ไหมคิดแค่นี้แหละอันนี้เป็นคาขาว นี่เป็นคำขาวเป็นอย่างเงี้ยทำดีทั้งหลายหรือเนี้ยเราก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามด้วยใช่ไหมเราก็งดเว้นจากการฆ่า ง, งดเว้นจากการลากักเป็นเรนเจริญกา ย, ยากายก็สุดจริตวาจาก็สุดจริตมโนโก็สุจริตด้วยในการเจริญไปแบบเนี้ยตั้งใจมันเป็นความดีก็เลยทําไปเพ้อเพอบางทีในขณะทําไปมียุงมากัดตบยุงไปด้วยนี่ก็กลายเป็นเกิดครัวกันไหมคำดำคำขาวก็ไปสลับกันไปไม่มีอะไรแลอวมันมาจับมากัดเราก็ตีมัน วแว่เราก็ทำดีนี่อย่างนี้เข้าข้อสามเนะืแต่บางคนเนี่ยไม่ได้คิดอยากทําบุญอะไรเลยทําแต่บาปอย่างเดียวนี่แหละแต่บางคนก็อุ้ยไม่ได้เราต้องเจริญกุศลบาปไม่ทําบาปไม่ทําเพราะเดี๋ยวไปทุ ก, กติก็ประหลัดน้ำไปโทกตินี่มีไหมคนแบบเนี้ยบางคนก็ทําเกลือกั่วกันไปก็เข้าข้อสามไปหรืออย่างเราเราก็ทําไปเป็นความดีโอ้ยตอนช้าพระเดินผ่านมาก็ใส่าบาศใส่าบาศเนี่ยอะไรแค่เนี้ย แต่ก็เป็นคำขาวไปแต่คนที่มีเจตจํานงในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยเขาตั้งเจตจํานงแน่วแน่เพราะเขาเห็นจุดหมายว่าจุดหมายที่เป็นไปสุคติโลกสวรรค์เนี่ยมันก็ยังเป็นไปในวัฏฏา ย, ยู่แต่เรามีจุดหมายเดียวเท่านั้นคือการสิ้นจากกิเลสและกองทุกที่เราทํานั้นทุกอย่างที่ทําไปเนี่ย มันจะตั้งอัตยาศัยเพื่อพ้นทุกจริงๆเพื่อพระนิพพานจริงๆทุกเรื่องเลยทําไมเราต้องกล่าววาจาอ่อนหวานเพราะเราปรารถนาจะเจริญสัมมาวาจาเพื่อเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานทําไมเราต้องเจริญสัมมารกรรมตาำไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์เป็นต้นเพราะเรามีจุดหมายคือการพ้นจากกิเลสและกองทุกคือพระนิพพานไหมทำไมเราทําประกอบสัมมาชีวะคือการเลี้ยงชีพทั้งหลายการแสวงหาอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มเนี่ยโดยไม่มีการทําบาปทางกายทางวาจาเป็นต้นเหล่านี้ แต่เรามีจุดหมายเดียวคือการเข้าถึงการเส้นกิเลสและกองทุกข์ทำไมเราต้องเพียรในการฟังธรรมเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจเราต้องการสั่งสมข้อมูลตรงนี้เพื่อเป็นปัจจัยต่อการเส้นจากกิเลสและกองทุกข์จิตมันมันตั้งมั่นอย่างนี้เหมือนคนที่คิดว่าฉันจะต้องทําบ้านนี้ให้เสร็จเนี่ยมันก็ตั้งมุ่งมั่นให้เสร็จจริงๆใช่ไหมล่ะอันนี้เหมือนกันกุศลที่ทําเนี่ยเราเราเอาอย่างเดียวคือพระนิพพานเท่านั้นใช่ไหม แต่ผลพลอยได้มาฉันก็เอานีในระหว่างยังไม่ถึงเนี่ยไม่ใช่ไม่เอาใช่ไหมผลของสุคติโลกสวรรค์ก็เอาเพราะมันยังไม่ถึงเนี่ยแต่จุดหมายฉันไม่ไม่ยอมเปลี่ยนเหมือนฉันจะต้องการเรียนปริญญาตรีโทเนี่ยไม่ใช่ฉันไม่เอาปฐมไม่เอาวิทยมนะไม่ใช่ปี1ปี2ปี3าันก็ต้องเรียนเท่านั้นแหละแต่นั้นไม่ใช่จุดหมายองฉันนะจุดหมายฉันคือจบอย่างนี้เป็นต้นมองเห็นไหมเนี่ยจุดหมายมันชัด คือเวลาทําเหตุแล้วมันเห็นจุดหมายขับรถจะไปบินทบาทที่ตลาดแม่คร้ายหรือตลาดใดขึ้นดอยตรงมันก็เห็นชัดเลยว่าเราจะไปตรงโน้นเราไม่ใช่ไปที่ตลาดแม่จันใช่ัหมเราไม่ใช่ไปที่ตลาดในเมืองนั้นแต่เราต้องไปจุดหมายตรงนั้นเราก็ตั้งหลักแล้วก็ไปจรงิงๆเลยเนี่ยมันผ่านไหมที่ผ่านมผ่านตลาดตรงนี้ด้วยเนี่ยตลาดตรงนี้แม่สลองในนี่ก็ผ่านมันก็แต่เราไม่ได้ลงเราไม่ได้แวะ จะมันผ่านถ้ามีเหตุจําเป็นต้องแวะเอ่อแวะแต่ไม่ใช่จุดหมายฉันนะจุดหมายฉันคืออิตลาดนู้นมันเป็นอย่างนี้หมเวลาเราจะเดินเนี่ยเออถ้าเป็นอย่างเนี้เขาเรียกมันชัดในจุดหมายในเป้าหมายไม่ใช่ว่าเลื่อยเลื่อยเอื้อยเอใช่ไหมก็มีเจตจํานงด้วยมีปัญญาด้วยมีความตั้งใจด้วยมีแคมแน่วแน่ด้วย มีกำลังของฉันทะด้วยกำลังของวิริยะด้วยจิตตะ ด, ด้วยปัญญาด้วยแข็งแรงมากเป็นแรงกระตุ้นมีพลังมากเขาเรีย <c> ก <oughs> ว่าไม่ได้ไม่เลิกเออมเป็นขนาดนั้นนี่ยังไม่ใช่ว่าเอา้าก็ตั้งสิก็ไม่มีใครไปบังคับเรานน่ก็เราได้หลักตรงนี้แล้วก็ตีบตั้งสิ ใช่ไหมล่ะหรือมีใครมาขวางเอามาก็ออกมาให้ดูเลยที่ไอตัวไหนขวางต้องจับมาให้ดูหน่อยที่มันตัวไหนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลูกมาขวางซะแล้วแม่มวัวแต่เจริญกุศลนั่นแหละไม่เป็นขอกใช่ไหมมีไหมเนี่ยมีใครขวางเราไหมมีกิเลนนั่นแหละขวาง พ่อแม่ก็ขวางไม่ได้ใครก็ขวางไม่ได้เรามีจุดหมายกันข้างชัดแต่เออลองนึกอย่างนี้นะว่านางวิสาขาเวลาไปอยู่กับสามีที่เป็นมิจฉาทิถีพ่อผัวที่เป็นสมัยมิจฉาทิถีเนี่ยบุคคลเหล่านี้ขวางการบรรลุนิพพานของนางได้ไหมเราทําไมไม่ทําอย่างนั้นบ้างเราใช่ไหมเออ แล้วก็วดลอมคนก็เห็นผิดกันทั้งนั้นแหละแล้วก็มีหลักอยู่นี่มีหลักมีเกณฑ์อยู่นี่คุยกันได้สนทนาได้จะเล่นกุศลร่วมกันได้แต่คุณมีจุดหมายอย่างนั้นก็เรื่องคุณนะแต่เราก็บอกนะว่าจุดหมายของนั้นมันเป็นไปเพื่อวัตถะเป็นไปเพื่อประกอบกันกวางกองทุกเนะ้เราไม่เอาอย่างนั้นหรอกแต่เราไปกับคุณนี่แหละเพราะงั้นแต่แต่จุดหมายคนละจุดเรื่องคุณเนะี่ยเอ้า ก็เขเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นลูกเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเป็นเพื่อนเราเรื่องเขาแต่จุดหมายเราชัดไหมเ่ื่องอยู่ตรงนี้ชัดหรืยอยังไม่ใช่โอ้ไม่ลูกไม่ไปฉันก็ไม่ไปด้วยเมื่อก่อนหน้าเขาเป็นลูกใครเมืก่อนต้องถามเขาดิก่อนเขาจะมาเป็นลูกเราเนี่ยเขามาบอกเขาไม่ได้บอกเราด้วยซ้ำไปแล้วเขาจะหมดความเป็นลูกเราเมื่อไหร่เขาก็ไม่ได้บอก ใช่ไหมล่ะด่างคนก็นมาด้วยกาลังกรรมของเขาเนี่แล้วเขาก็จะไปแล้วเราก็จะไปตามกําลังกรรมของเราชีวิตทําไมต้องมาผูกกันกัใช่ไหมพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะต้องเป็นเหมือนกันเลยมันจะตองตายแล้วงานนี้ถ้าฉันเห็นผิดเธอต้องเห็นผิดตามฉันนะฮะถ้าฉันจะไปอบายเนี่ยรักกันจริงนะต้องไปด้วยกันไปไหมไปไหมไปอ้าว นินฉันจะไปเกิดนินจะไปเกิดเป็นสุนัขเนอะเยียบตามไปได้ไหมสมมติไงเขาจะไปไหมไปไปะเาก็ <c oughs> ไ, มมไม่อยากไปแลเราจะมารักจริงไนงะ เ, เขาไปเป็นสุนัขเราจะไปเป็นกับเขาไหมรักจริงไหมถามจริงเขาไปเป็นหนอนตัวเมียเราจะเป็นหนอนตัวผู้ <c oughs> ไปไหมเ <c oughs> ขาไปเป็นจิงหลีตตัวเมียเราจะเป็นจิงหลีตตัวผู้ไม่เว้นเลย เขาไปเป็นตัวสกังตัวเมียเราจะเป็นสกังตัวผู้หองเห็นนียังเดี๋ยวไปเกิดเดี๋ยวเขาไปมีใหม่เหมือนเด่นเคยเล่าหลายครั้งเลยนะเรื่องพระนางอุปรีกับพระราชาชื่ออะไรนะพระเจ้าอสกะนี่พูดหลายครั้งเลยเนี่ยรักรักกันมาก สองคนเนี่ยยุ่ยๆก็ตายกระทันหันนี่แหละนางพระนางอุปรี เ, เป็นพระมเหสีของพระเจ้าอัสกาศตายเสร็จโอ้โหร้องไห้พระเจ้าอัสกาศนี่ไม่เป็นอันว่าราชกิจแล้วเจดดวันก็บันทมไม่หลับนอนไม่ได้เล่นร้อนไปถึงพระโพธิสัตว์ต้องเหาะมาจากป่าต้องการมาช่วย เขาไปบอกคนเป้าราชุทยานเนี่ยบอกให้ไปว่าพระราชาฉั น, นรู้คติของนางอุารีรู้ที่ไปฉันมีปัญญาประเภทนี้พอเพราะเราไม่มีตรงนี้พระพเจ้าจะมีปัญญาตรงนี้เหมือนกับที่เศรษฐีจําได้ไหมที่ว่าเศรษฐีทิตนี่ในอะไรนะไม่ใช่โตทียยาเศรษฐีจําได้ไหมในสุภาษสูตรเนี่ใน สุภาพมานพ เ, เ, เนี่ยโตเทยบุตรเนี่ยได้ฟังเรื่องนี้ไหมที่ว่าเศรษฐีตนีวรบุริว่าเจอพระพุทธเจ้าก็ดีเจอสาวกพุทธเจ้าที่ด่ดาตลอดด่าเข้าไว้ก่อนด่าเข้าไว้ก่อนเพราะกลัวเนี่ยกลัวว่าตนเองหรือตะกุลตนเองจะไปศรัทธาเข้าจะศรัทธาเข้าสมบัติเนจะหมดห่วงตลอดกลัวคนในบ้านจะทําทบุญแล้วก็อธิบายบอกว่า คนให้ทานคือคนโง่คนเก็บต่งงางหากเป็นคนฉลาดแล้วก็ถือทฤษฎีการบวกทํทการังกับทฤษฎีกับยาหยอดตาบวกทํารังเนี่ยเก็บเวลานิดละหน่อยมันยังทำเป็นจอมปลวกมือมาได้เลยเนี่ยงั้นมีเงินเราต้องเก็บอย่างนั้นมีทรัพย์ต้องเก็บแบบนี้ถือทฤษฎียาหยอดตายาหยอดตาหยอดวลหยอดมันยังหมดฉะนั้นการใช้เนี่ยต้องเข้มสุดๆเลย จะจําเป็นจริงๆให้ใช้เหมือนยาหยอดตาทฤษฎีรยวยกเก็สอนกันอย่างนี้ให้รู้จักใช้เก็บออมมีการเก็บออมบางนนเนด้ยวยฝึกทํากระป๋องให้เด็กเก็บไว้ฝึกตั้งแต่เด็กๆจะได้มีรักนําให้รู้จักมัธยัติแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้พระเจ้าบอกว่าเก็บหนึ่งส่วนลงทุนสองส่วนแล้วก็ เก็บไว้เป็นหลักว่าเออใช้หนึ่งส่วนลงทุนสองส่วนแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักประกันชีวิตยามเจ็บป่วยอีกหนึ่งส่วนใช่ไหมล่ะยี่สิบห้าห้าิบยี่ห้าแต่ตเราฝึกเด็กให้เก็บเก็บแก้แก้เงี้ยฝึกเก็บมันจะไปรวยชีวิตนี้ก็อยู่แค่นี้แต่ชีวิตไม่ได้อย่างนั้นนะไอ้ทราบที่มันสมมุติกันขึ้นมาเนี่ยเอาไว้ที่สําคัญที่สุดก็คือให้เอามาช่วยกันลงทุนทําประโยชน์ให้มันเกิด การหมุนเวียน 50% เนี่ยให้ให้ระบบการหมุนมันเกิดขึ้นอย่างประโยู่อย่างนี้คนนึงมันเก็บฝังดินไว้ไอ้คนก็ไม่หาก็หาไม่เคยได้ความสามารถไม่เท่ากันเนี่ยไปเก็บฝังดินไว้ข้อบอกนี่เป็นความชั่วยเป็นความเสียหายนเนี่ยมองออกไหมแล้วกระบวนการตรงนี้เขาจะให้เอามาลงทุนเพื่อให้มีการหมุนเวียนก็คือมาทําประโยชน์นั่นแหละเศรษฐีเป็นแบบนี้ และต่อมาที่ว่าตายแล้วก็เลยเกิดเป็นสุนัขในบ้านเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าเห็นเห็นจุดติคือคือการการตายเห็นปฏิสนธิเห็นกระแสชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดเหมือนคนอยู่ที่สูงเวลาอยู่ที่สูงมองลงมาเนี่ยเห็นคนอยู่ข้างล่างเดินออกจากบ้านหลังนี้เข้าบ้านหลังนี้เดินจากบ้านหลังนู้นเข้าบ้านหลังนี้ก็คือเห็นกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่หมุนเวียนกันไปเนี่ยเนี่ยเอมนุษย์เดยวสัตว์นรกเดี๋ยวสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวเปรธ เดี๋ยวสุรกายเดี๋ยวมนุษย์เดี๋ยวเทวดาเดี๋ยวพรหมมันมันเดินว น, นว น, ว น, ว น, ว น, วนเห็นหมดเลยนี่พระสัพพัญญเตยานจะเห็นกระแสชีวิตแบบนี้นีค่คือคือความมหัศจรรย์ที่สุภาพมานพเตอรโตเรบุตกใจเลยนะตอนที่ไปสนนาพระพุทธเจ้าบอกโอ้โ oh. ห oh ปัญญายาณของพระพุทธเจ้านี่ขนาดนั้นตกใจเลยจึงถามปัญหาจึงผูกปัญหาไปถามไงตอนนั้นที่ที่พระพุทธเจ้ามายืนอยู่หน้าบ้านตอนนั้น เศรษฐีใหม่นะ่ไม่อยู่พ่อตายไปแล้วพ่อไปเกิดเป็นสุนัขสุนัขตัวนี้จำได้ก็มาเห่าเห่าเห่าเห่าไล่อะ่ะเห่าเพื่อจะไล่ให้ไปกลัวคนในบ้านจะใส่บาตรพรเจ้าก็แย้มพระโอรสแล้วก็เป่งวาจากมาบอกว่าโตเถรยาเศรษฐีเป็นมนุษย์ก็ด่าพระพุทธญาด่าตถาคตเพราะความห่วงเกิดเป็นสุนัขยังห่วงอโอ้โห นึกว่าพระพุทธเจ้าจากไม่รู้จักตนเองอิสุนักตัวนี้หางลู่ลงปุ๊บหมดแรงวิ่งร้องไปนอนอยู่อบไ้กองไฟไม่ลุกเลยซึมเศร้าพระพเจ้าก็ตั้งจิตต่อใครก็อุ้มไม่ได้นอกจากไอเจ้าลูกไปแล้วนี่พระเจ้านี่นี่พุกดูดูพระมหากรุณาธิคุณ ต้องการจะสอนลูกชายแต่แต่คนนี้พ่อเจ้าเห็นแล้วเห็นเศรษฐีนี้ตายไปเกิดเป็นสุนักถ้าเราไปที่บ้านนี้เห่าเราเราพูดอย่างนี้จะไปหงอยแล้วต่อมาเหตุการณ์เกิดขึ้นตายจะสุนักจะลงอเวจีเห็นหมดเลยพระเจ้าเห็นน า, นาคตหมดเลยแต่เห็นโสดาบันจะเกิดขึ้นกับลูกชายเนี่ยแพรนุขแรกไมแก เพราะยังไงสุนัขตัวนี้ก็ลงเวจียอยู่แล้วต่อไปก็ลงเอเวจีดิ่งลงอยู่แล้วแต่เห็นอะไรมีพระมหากรุณาที่คุณที่จะทำโสดาบันให้เกิดขึ้นกับลูกชายกองเศรษฐีก็ไปก็เลยไปพูดทิ้งปัญหาไว้แล้วกลับวัดเลยทิ้งปัญหาไว้พอคนพอก็ลูกชายกลับมาคนก็หาสุนัขตัวเองใช่ไหมบองนู่น บอกว่าเจอพระสมณะโคโดมมาเนี่ยเห่าอยู่พักหนึ่งแล้วพระสมณะโคโดมบอกว่าไอ้สุนัขตัวนี้เป็นพ่อของท่านโโกรธมากเลยพวกพราหมณ์ตายแล้วต้องเป็นพรมเนี่ยคติเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยพ่อเราเป็นพราหมณ์ตายแล้วต้องเป็นพรมนี่ไปบอกกับพ่อเราเป็นสุนัขยอมไม่ได้เข้าไปเข้าไปชี้หน้าตาหนิพระเจ้าพระเจ้าให้กลับมาพิสูจน์มาอุ้ม ไปอาบน้ำให้ไปนอนด้วยพอสุนัขตัวนี้เริ่มอบอุ่นใจหงอยในใจรู้ตัวเองว่าโอ้โหลูกคงรู้จากเราแล้วลูกรู้จากเราแล้วมัน้งะข้าเนี่ยส่วนลูกก็รูปหัวแล้วก็บอกว่าพ่อพ่อเรียงสะดุ้งเลยสุนัขเลยตกใจเลยโอ้ตายแล้วไอไหมที่แรกอพุทธเจา้าเนี่ายาอลูกแล้วโอ้ สอนโลกมาทั้งชีวิตให้รู้จักเก็บเงินให้รู้จักประหยัดไม่ให้ใช้จ่ายอย่าไปทำบุญแต่ตนเองเกิดมาได้แค่นี้เองเจากมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่กลายเป็นสุนัขเศร้าไหมเศร้ามากที่แรกกันนึกว่าไม่มีใครรู้จักก็ตนเองเนี่ยเป็นสุนัข ก, ก็พระเจ้าก็รู้จักก็อายอยู่แล้วอายอายพระเจ้าด้วยอายคนใช้ด้วย นายคนใช้ด้วยดูที่อัตภาพจันเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่กลับมาได้แค่สุนัขตัวหนึ่งเนืแล้วพอลูกรู้อีกว่าตนเองเป็นลูกตนเองเป็นพ่อมาก่อนลูกยังบอกพ่อสมบัติที่เหลือพ่อไปฝังไว้ที่ไหนโอ้โหหมดแล้วหมดสภาพแล้วทมมนัสกินาวิยังไปคุยคุยหมวกทองคำอยู่ไหนไม่เท้าทองคาอยู่ไหนรองเท้าทองคาอยู่ไหนเสื้อกราะทองคาอยู่ไหน พอเขาได้สมบัติหมดนะหมดแล้วใจแตกสลายแล้วตอมใจตายลง เ, เวจีไปแล้วตอนนี้อยู่ในเวจียอยู่เลยเนะสะเทือนใจไหมหลูกชายอะสะเทือนใจมากโอ้โหสมมาสัมพอดิญนี n รูนน้ขนาดนี้ n i l ขนาดรูกกระแสของชีวิตสัตว์ไปยังไงยังไงยังไงรู้ขนาดนี้สะเทือนใจมาก ถามผูกปัญหาเลยทีนี้ถามปัญหาหรือ14ข้อใช่ไหมที่บอกว่ารูปสวยทำอะไรรูปไม่สวยเอ่ยยากจนไม่ยากจนเนี่ยใช่ไหมมีปัญญาไม่มีปัญญาในข้อสุดท้ายเป็นต้ น, นยผิวพรรณงานผิวพรรณสามมาจะกรรมอะไรเนี่ยถามเลยถามพระเจ้าอยากรู้มากทําไมมนุษย์มันมีความต่างกันอย่างนี้ถามเรื่องผลเหตุมาอย่างไงนี่คือท่านมีปัญญามากเป็นนักวิชาการนะเนี่ยโตทยะ เศรษฐีเนี่ยเรียนมาเยอะมากก็ผูกปัญหาไปเปุ๊บเศรษาพุทธิยาวพุทธิยาตอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊๊๊บรรลุเลยนี่เป็นอย่างนี้นี่สัมมาสัมพธิยานรู้ตัวนี้นะรู้อย่างงี้นะซึ่งถ้าไม่ถ้าพุทธิยาไม่เปิดเผยความจริงอย่างเนี้ยสัตว์โลกบอดไหมบอดเลยไม่รู้เรื่องเลยอย่างพวกเราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเกิดมาไม่เคยรู้เลยนะเนี่ย ว่ากระแสชีวิตมันหมุนเวียนได้อย่างนี้จริงๆมันสืบต่อจริงๆไม่ใช่เป็นอัตราตัวตนไม่ใช่ล่องลอยจากพบนี้สู่พบนั้นนะมันเป็นไปอย่างกระบวนการแบบสืบต่อบอกรายละเอียดด้วยนะไม่ใช่เป็นอัตราตัวตนมันมันวิ่งจากล่างหนึ่งมันไปสิงล่างหนึ่งมันไม่ใช่อางนั้นไอ้ตัวนี้ไม่ตายเป็นไม่ใช่เป็นสัตต์สตาแบบนั้นด้วยนะมันเป็นกระแสชีวิตที่สืบต่อเซลล์ที่เกิดดับสืบต่อยังไงกระแสชีวิตนามาทำก็เกิดดับสืบต่อยังไงเนี่ยเห็นตัวเนี้มหัศจรรย์ไหมเนี่ย นี่ล่ะคือสรรพยุตยานี่ ค, คือนี่กระแสะชีวิตถามจะรู้ความจริงอย่างนี้ใครไหมมันจะไม่หลงใครอย่างบ้าค้ั่งอีกต่อไปแล้วไอ้ที่บ้าค้ั่งไม่มีแล้วทีนี้ เกี่ยวกันในเรื่องของพระเจ้าสากะก็ทำนองเดียวกันเนี่ยหลงพระโพธิสัตว์ก็มาก็บอกที่บอกว่าบอกคนสวนบอกคนดูแลธัทยาทีไ่ไปตามลงพระตามมาท่านก็ถามเรารู้คติของนางอุภรีท่า น, นเชื่อไหมถามพระเจ้าสากะเรารู้ว่าพระนางอุภรีไปเกิดในคติไหนพบไหนพระเจ้าสากะบอกยังไม่เชื่อก่อน ถ้าบอกจะเชื่อไหมบอกให้บอกมาก็ชี้ไปเห็นไหมเนี่ยข้างหน้านี่อะไรกองขี้ควายมูลควายเนี่ยตอนนี้ไปมานางอุปรีอยู่นี่เนี่ย <c oughs> โอหนี่ท้าทายมากเลยอย่างเงี้ยเอาไม่เชื่อเอาบังคับด้วยฤทธิ์อธิษฐานด้วยฤทธิ์เข้าสมาบัติเอาสิทุตชานเป็นฐานเดินอนพิญญ า, บ, าบังคับ ให้ออกมาก็คานดุดดุออกจากกองที่ควายเป็นตัวตัวหนอนไอ้ตัวเขาเรียกอะไรเนี่ยตัวตัวอะไรไม่ใช่แมงก็อชีเนี่นั่นแหละตัวนี่มันยังไม่มันยังมีมีปีกนะยังเป็นตัวตัวตัวตัวตัวตัวด้วงอยู่ยังบินไม่ได้ ้านออกมาสองตัวถามพยาพระเจ้าส ก, กะรู้ไหมว่าพระนางอุปรีตัวไหนไม่รู้เนีย่ยตัวเดินตามหลังไ้ตัวหน้าสามีต า, ายแล้วไปแต่งงานใหม่แล้วดูที่จากจากพระราชนีนะจากผู้ยิ่งใหญ่นะเออจากวิมานที่ใหญ่โตกับกายได้วิมานคือกองขี้ควายเนี่ย ไม่เชื่อพอไม่เชื่อขึ้นมาก็ต้องอธิษฐานให้พูดไงให้ท่านให้ให้หนอนพูดเองเลยสิ้นเรื่องถามว่าเธอเป็นใครก็รายงานดีฉันชื่อนางอดีตเป็นนางอุปรีเป็นพระมหสรีของพระยะาาศากาถามต่อว่าตอนนี้ยังคิดถึงพระเจ้าอสกาอยู่ไหม อะไรการท่านหยนั้นเถอดิฉันกำลังมีความสุขอยู่กำลังหันที่โมนกันอยู่าบอกถ้าบินได้จะบินไปกัดกัดพอคือคอเนี่ยของไอ้เจ้าอสการ์เยเลือดมาล้างเท้าสามีมาเรียกออกมาทำไมเรียกฉันออกมาทำไมไม่ไม่ไม่ชอบใจเลย อาไม่คิดถึงอุทยานหรือไม่คิดถึงสถานภาพเก่าๆหรือวิมานที่สวยงามอัตภาพที่ดีๆทั้งหลายท่านเจ้าค้าไหมสุขใหม่ทับถมสุขเก่าแล้วทุกใหม่ทับถมทุกเก่าแล้วบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายเป็นแบบนี้ชัดไหมเราบอกโอ้โหเราทุกมากในอดีตลองมาทุกปัจจุบันนี่ ถ้าลองไปเจอทุกในปัจจุบันเ oh, นี่ยไอ้ทุกเก่าหายหมดไหมโอ๊ยแต่ก่อนเคยสุขมากถ้ามันมาสุขในปัจจุบันเนี่ยไอ้สุกเก่าก็หายมันก็หลงก็มัวเมาก็มืดบอดได้เรื่องเก่าๆไปเรื่อยเรื่องใหม่ๆไปเรื่อยเรืมันทับถมอยู่อย่างนี้สัตร์โลกทั้งหลายจึงระลึกอะไรไม่ได้เลยเพราะโมหะมีกําลังจัดอวิชามีกําลังจัดความมืดบอดมีกําลังจัด ไม่สามารถกระลึกถึงกระแสชีวิตความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกๆขณะของชีวิตได้เลยมันเป็นแบบนี้โอ้พระเจ้าส ก, กาสั่งทันทีบอกเอาไปเผาทิ้งบอกเอาศพไปเผาทิ้งเดี๋ยวนี้เลิกกิจกรรมเศร้าโศกแล้วก็สถาปนามเหสีคนใหม่ต่อไป หายโศกไ้มหายโศ ก, กแต่มัวเมาต่อไม่ได้อะไรต่อฉนั้นถ้าหากใครลองดูนะพัดพลากจากของลักแล้วก็รีบหาใหม่เลยนะมันจะลืมของเก่าเลยนี่วิธีแก้สำหรับโมหากินเนี่ย แกคนมีโมหะเยอะๆเขาแก้ไขแบบนี้แหละเวลาทุกมันมนั่นเบสร็จก็รีบหาสุขหากรมมาสุขใหม่ๆมามามามาปนเปลือยเสียเดี๋ยวมันก็จะลืมทุกเก่าแล้วก็สุขเก่าๆทั้งหลายน่ะก็ทําสุขใหม่มันเพิ่มขึ้นมันมีละที่หนึ่งละที่เรื่องสีเสียงกิรลดปวดตัพเนี่ยลที่ของมาคันทิยะก็คือว่าของอะไรที่เห็นแล้ว ไปได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสแล้วเสร็จก็แสวงหาสิ่งที่มันประณีตไปเรื่อยๆื่อๆืๆืๆืๆรืะหว่างเนี้ยเป็นลัทธิเนี่ยเป็นลัทธิที่เป็นนิพพานของเขาเป็นความสุขของเขาอะไรที่ยังไม่ได้ทดลองก็ทดลองอะไรที่ยังไม่ได้สวยก็หาเสวยอะไรที่ยังไม่ได้ลิ้นได้กินได้เกี่ยวข้องได้อะไรต่างๆพยายามแสวงหาประณีตไปเรื่อยๆเื่อๆรืๆืๆืๆเนี่ยระว่านี้เป็นนิพพานของเขาเป็นความสุขของเขาเดี๋ยวนี้มีเยอะไหมลัทธิแบบเนี้ยเนี่ยลัทธิเนี่ย เขาไปเขาไปบอกคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โ oh, ห, หเป็นละที่เหี่ยวแห้งเป็นละที่ละที่ตายด้านเนี่ยเป็นลทัที่ที่เป็นคําสอนที่มันจะไม่สุขได้ยังไงใช่ไหมถ้าสุขที่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องอาศัยตาหูจะบุกลินกายใจไปเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยไ ม, ไม่ไม่มีกามาสุขแล้วมันไม่มีเป็นลัที่ที่ตัดความสุขมันรู้สึกมันแข็งแรงมากละที่ที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ย <c oughs> เขาก็เลยสอนเขาไม่ใช่อย่างนี้ของเขา ความสุขของเขาคือการบำเบอบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแสวงหาความสุขที่มันประณีตยิ่งๆขึ้นไปแต่ก่อนท่านเม้งก็เคยใช่ไหมเคยแสวงหาแบบนี้ใช่ไหมคิดว่ามันจะสุขพยายามจะปลนเปลอยปลนเปลยิ่งยิ่งยขึ้นไปเนี่ยทุกอย่างที่ยังไม่เคยไม่ทดลองให้หมดเอาไปเอาตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องให้หมดเนี่ยก็คิดอย่างนี้ว่านั่นคือความสุข เนี่ยบินลทัทธิหนึ่งนะละทัทธิของมาคันทีเนี่ ย, ยแลค้คนคนนี้ไปไปเถียงปัญหาพระพุทธเจ้าพอไปเถียงไปเถียงมาจึงรู้ว่าโอ้โหขอพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยกระชความมืดบอดกระชความมืดบอดเนี่ยของ ข, ของท่านเนี่ย เพราะว่าท่านยังมีความมืดบอดในเรื่องนี้มากหลงในเรื่องนี้มากอาจจะทํายานปัญญาเกิดขึ้นในปัจจุบันใี้ท่านได้ไหมพระเจ้าก็เลยแสดงเรื่องที่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ก่อนเนี่ยไอ้ลทัทธิเนี่ยไม่เข้าใจความไม่มีโรคในพระศาสนานี้ใช่ไหมเคยได้ยินอรโรขยาปรมาราพาไหมเคยได้เจอพุทธภาษิตนี่ไหม เคยได้ยินัหมแปลว่าอะไรอ่ะอโรพยอรคยาปรมาราพาความไม่มีโรคเป็นคืออะไร อ, ะอ่ะคืออะไรอ่ะความไม่มีโรคเป็นราบอย่างยิ่งเป็นเบาหวาน ความดันโรคไตโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งก็เป็นโรคไหมความไม่มีโรคเหล่านี้เป็นราบอย่างยิ่งไหมเป็นไหอเวนเป็นราบอันประเสริฐไหมแล้วพุทธภาษีนี่หมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้ไหมพุทธภาษีนี่หมายถึงอย่างนี้ใช่ไหม เป็นยังไงไม่มีราคะทุสะเป็นลาบโรคก็กิเลสเลยอ๋อแล้วในแม้ความไม่มีโรคในพระศาสนานี้คือการไม่มีขันห้าคือการนิพพานเนะี่ พระพุทธเจ้าจึงบอกเธอไม่เธอไม่เข้าใจความไม่มีโรคในศาสนานี้เธอไม่เข้าใจนิพพานในศาสนานี้นิพพานของพวกนี้เขาเป็นการได้เสวยกรรมคุณที่ยังไม่ได้เสวยได้โน้มได้เกี่ยวข้องกับกรรมคุณยิ่ ง, งขึ้นไปเขาเป็นนิพพานของเขาใช่ไหมความไม่มีโรคของเขาคือสุขภาพร่างกายแข็งแรง <c oughs> <K> <K> <K> <K> เขาจะได้เสวยกามรมาสุขได้เต็มที่ของเขาเป็นอย่างนี้ในแต่พระพุทธเจ้าบอกเธอไม่เข้าใจความไม่มีโรคในศาสนานี้เสร็จแล้ว เธอไม่เข้าใจนิพพานในพระศาสนานี้เสร็จแล้วความไม่มีโรคเป็นราบอย่างยิ่งนิพพานเป็นบรมสุขอย่างยิ่งอันเดียวกันก็คือการดับกิเลสและกองทุกได้เมื่อไหร่นั่นแหละเข้าถึงความไม่มีโรคและเข้าถึงพระนิพพานโดยการไม่ต้องมีกระแสะขันห้ามาบริหารอีกต่อไปนี่แหละนี่แหละอาะอโรคยาปรมาราภาเป็นแบบนี้โอ้โหรุนแรงยางความไม่มีโรคของพระเจ้า ไปท้งอื่นไม่ได้เลยใช่ไหมอา้าวดูกรรมสามต่อกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเนี่ยที่ได้พูดว่าอะไรสำคัญที่สุดมนโนกรรมสำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะดูก่อนตะปัดสีบรรดากรรมสามอย่างนั้นเราจำแนกไว้แล้วอย่างนี้แสดงความแตกกางกันแล้วอย่างนี้เราบัญญัต มโนกรรมมีโทษมากในการทําบาปกรรมในความเป็นไปแห่งบาปกรรมหาบัญญัติกายกรรมวจีกรรมหาบัญญัติตัววจีกรรมอย่างนั้นไม่เหตุที่มโนกรรมสําคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นจุดอะไรเป็นจุดเริ่มต้นคนคิดก่อนแล้วจึงพูดคิดก่อนแล้วจึงทําจึงแสดงออกมาทางกายทางวาจาดังนั้นวจีกรรมและกายกรรมจึงขยายออกมาจากมโนกรรมนั่นเอง มนโนกรรมจึงเป็นเจ้าการมนโนกรรมจึงเป็นใหญ่มนโนกรรมนั้นจึงคุมทั้งหมดใช่ไหมฉะนั้นมนโนกรรมเนี่ยยังมีโทษมีผลมากมีผลที่กว้างขวางรุนแรงที่สุดเพราะว่ามนโนกรรมหมายถึงความเชื่อถือด้วยหมายถึงความเห็นด้วยหมายถึงทฤษฎีหมายถึงแนวความคิดหมายถึงค่านิยมทัศนคติหรือที่เรียกว่าทิฐิด้วยเป็นมนโนกรรมหมดเลยเนะืตรงเนี้ยเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมทั่วๆไปของบุคคลด้วยใช่ไหม ความเป็นไปในชีวิตของบุคคลและคติของสังคมทั้งหมดเมื่อเชื่อเมื่อเห็นหรือนิยมอย่างไรอย่างหนึ่งก็มีการคิดการพูดการสั่งการสั่งสอนชักนำชักจูงเนี่ยกระทาการต่างๆไปตามความเชื่อกามค่านิยมตามมิจฉาทิฏฐิตามความเห็นนั้นๆการพูดการกระทําก็ดาเนินไปตามทางผิดมิจฉาทิฏฐิไปด้วยแต่ถ้าสมารทิฏฐิละ่ะเกิดขึ้น ความดัมเบลิการพูดการกระทําต่างๆก็ดําเนินไปทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิไปด้วยเช่นถ้าดูในสังคมเนี่ยที่เห็นว่าความพรั่งพร้อมทางด้านวัตถุมีค่าสูงสุดเป็นจุดหมายที่พึงฝ่ประสงค์เนี่ยก็เพียรพยายามกันเลยแต่เนี้ยถ้าความเห็นความเชื่อของมนุษย์บอกว่าวัตถุสําคัญที่สุดการพรั่งพร้อมในวัตถกุการมีวัตถุมากคือความสุขของมนุษย์นั่นคือ ภาวะเศรษฐกิจที่ดีและเจริญรุ่งเรืองที่สุดโอ้โหพอมนุษย์ในสังคมในหมู่นั้นมีความเชื่อมีความคิดเห็นมีทัศนคติมีมุมมองกันอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็ให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็บอกแล้วก็โอ้โหมีจุดหมายเดียวกันเลยเนี่ยพุ่งประเด็นไปที่นั่นแหละช่วยกันสร้างตึกรามบ้านช่องถนนถนทางปปาน้าไฟทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นรถยนต์เลยเครื่องบินเลยต่างๆก็แล้วแต่นะ โรงงานทั้งหลายเหล่านี้สิ่งผลิตทั้งหลายเต็มประเทศเลยดิเนี่ยเพราะเพราะเห็นว่าเนี่ยคือคือความสุขของมนุษย์เพราะมันเชื่ออย่างนั้นแล้วมันไปเลยนาะมนุษย์เราเนี่ยไปกันใหญ่ใช่ไหมเชื่อเนี้ยเนี่ยเนี่ยเพราะเกิดจากทัศนคติเกิดจากความคิดเห็นทั้งนั้นแหละมันถึงออกมาเป็นอาณาจักรอย่างนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเนี่ยขนาดนั้นนะฉะนั้นมโนกรรมเนี่ยมีผลแรงไหมเนี่ยมีผลมากด้วยมีผลแรงด้วยใช่ไหมล่ะเนี่ย เนี่ยสมฤทธิออกมาได้จริงๆเนี่ยจากภูเขาจากป่าเนี่ยสามารถทําลงเดินไปดูที่เนี่ยเป็นถนนขนทางเป็นรถแบล็คโคเป็นรถขุดเป็นรถตักใช่ไหมเราเดินไปเชื่อมตรงนั้นไปเห็นเนี่ยจากภูเขาตักดินตรงนั้นทําตรงนั้นมันโอ้จินตนาการออกมามันก็กํากับเลยในนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนะครับไปเขียนในกระดาษก่อนนะ เขีนเวทเศษแตฉันต้องการทําอย่างนี้หรือไม่เขียนเนี่ยมโนกรรมฉันเป็นอย่างงี้นะฉันจินตนาการไปนี้ต้องการสร้างตรงไหนตรงไหนโอ้โหจินตนาการเต็มไปหมดเลยจริงไม่จริงรุนแรงไหมมโนกรรมเนี่ยถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิก็ขับเคลื่อนสังคมไปตามไปตามความดํำริความเชื่อความคิดเห็นทัศนคติมุมมองนั้นนั่นก็มีความคิดเห็นว่าอยากจะได้เจดีสักองค์ บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้มนโนกรรมฉจินตนาการใหญ่ไปที่ไหนที่ไหนมองแต่ใจดี ก, ก, ดก็มองจอะทำยังไงนะเร็วแล้วนี่มนโนกรรมยังคิดเงั้นเลยแล้วสักวันหนึ่งอยากจะได้เจดีสักองค์หนึ่งสูงตัางงานขึ้นไปบูชา พสัพพัญยุตยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนนาวรยายานอินทริยะโรปริยติยานมหากรุณาสมาปติยานยมกัปปฏิหาริยานอาสยานุตรยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะบูชาอสาธารณญยาณหกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีเจดีนี่นี่มโนกรรมนะสมฤทธิ์ไปแล้วนะในมโนกรรมเดี๋ยวก็จะออกมาเป็นกายกรรมวุตรีกรรมออกมาหลายครั้งแล้ววุตีกรรมตอนนี้เจรจาหาซื้อที่ใหญ่ด็นี่ใช้มโนกรรมไว้แล้ว ขนาดนั้นเลยนะเนี่ยนี่ใช่ไหมโหยิ่งใหญ่ไหมมีผลมากไหมมีผลมากมีม ผ, ลมกมผลหนักเป็นเรื่องมโนกรรมเนี่ยที่นั่งจินตนาการนี่ไม่ธรรมดาเนืมโนกรรมนี่มีผลมากเรามานั่งเล็กอยู่นะบางคนโอ้ยฉันไม่สามารถทําได้แต่ทําแบบนี้ได้ เราเอาไปกองรวมๆกันได้จดีอย่างใหญ่เลยเนะยใช่ไหมล่ะที่เราทําอะไรมาในโลกใบนี้ยอุย้ย ท, ทํามา ไ, ไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ตักดินขุดดินทำโน่นทํานี้หมดงบไปไม่รู้เท่าไหร่โอ้ยหลายสิบล้านนะ่ะมั่งใช่ไหมล่ะโอ้โหทํามาก่อกองเอาเอาหินเอาทรายเอามากองรวมๆรๆกันบูชาพระเจ้าเนี่ยโอ้ยตอนนี้เราจะได้หลายยอดเลยเนี่ยไปก่อนเราไม่มีสมาธิในเรื่องนี้ แต่ยังทันหมยังทันเนี่ยเม่งทันไหมยังทันนะ่ยางคนห่วงเฉันจะทาพินัยกรรมยังไงให้ลูกคนนั้นให้ลูกคนนี้เม่งคิดอย่างนั้นยนะแต่ฉันก็ไม่เค็งฉันทำพินัยกรรมยังไงนะบูชาวกุฎเจ้ามันคิดกนละมุมกันเลยแล้วมันน้นึงไปกละทางกันเป็นเพราะตรงนี้มันคิดกละมุมกันมถ้ามีเงินวันนี้ปุ๊บ มีปัจจัยวันนี้ปุ๊บมีความสามารถวันนี้ปุ๊บเนี่ยบางคนคิดเออเราจะไปให้โลกจะให้คนนั้นจะให้คนคนี้ใช่ไหมแต่บางคนคิดเ อ, อฉันจะบูชา ormal, บูแต่เจ้า <c oughs> บูชาบุคคลที่ควรบูชานี่แหละก็เดิมยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วมันคิดต่างกันไหมนี่มนุษย์มีความต่างกันตรงบางคนคิดไม่เลยตัวเองแต่นี้เราคิดโอ้โหเอาห ล, ลุดออกจากตัวเองเสียใครมีคุณมากที่สุดฉันจะบูชาคนนั้นท่านบูไดมีคุณมากที่สุดฉันจะถวาย ม อ, อบกายถวายชีพเก่ท่านผู้นั้นโอ้เท่านี้ชัดแล้วพอมองเห็นอย่าง ม, นมโนกรรมเป็นอย่างนี้นันมโนกรรมจึงสำคัญที่สุดพุทธพจน์แสดงความสำคัญของมิจฉาทิฏฐิและสมมาทิฏฐินะดูเนะี่ยพิสูจทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจนไพบู์เหมือนอย่างมิจฉาทิถีนี่เลยนี่นั้นมิจฉาทิฐีเนี่ยถ้ามีในกระแสชีวิตของสัตว์ท่านใดแล้วตนใดแล้วไอ้ตัวมิจฉาทิถิเนี่ยจะเป็นอาหารจะเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนว่าอากุศลธรรม ท, ที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญภัยบูนยิ่งยิ่งขึ้นไป บาปที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นในบาปที่เกิด น, น้อยก็จะพยายามพอกพูนแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ภัยบุญ ย, ยิ่งขึ้นไปเนี่ยมิจฉาทิถีมัตัวเชื้อขนาดนี้นะฉะนั้นกายกรรมก็จะทุจริตวิจีกรรมทุจริตมโนกรรมทุจริตมาจากมิจฉาทิถีนี่แหละกายกรรมวิจีกรรมอยู่ไหมอกุศลกรรมบท10เนี่ยมิจฉาทิฐีทั้งหลายมิจฉาฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกา ร, รพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจอ่อโลภโกลีดและหลงเนี่ย ที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญไพบูร์กว้างขวางขึ้นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามามิจฉาสติมิจฉาสวัสดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะไพ่บูร์มากขึ้นมากขึ้นนั่นตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆไอ้มิจฉาทิฏฐิมันเกิดที่กายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมมโนกรรมนั้นถ้ามโนกรรมเป็นมิจฉาทิฏฐิซะแล้วเนี่ยกายกรรมวจีกรรมพติกกกรรรมทั้้งหหลลาายเ่นนีะบวาร ทัศนคติมุมมอ ง, มองวิธีคิดทั้งหลายมันจะไปน่ากลัวมากๆเลยน่ายิ่งใหญ่มาต้องการข้ามพิกสูทั้งหลายเราไม่พิจารณ า, นาเห็นรมอย่างอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นกุศลธ ร, รรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นจนพัยบุ์เหมือนอย่างสัมมาทิฏฐิเลยโอ้ตรงข้ามเหมือนกันเลยโอ้ถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดแล้วเนี่ยฉะนั้น วิธีการบอกมุมการประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่บอกรูปแบบบอกให้ได้สมาธิที่ก่อนถ้าได้สมาธิทิแล้วในกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญไภัยบุญยิ่งขึ้นไปใช่ไหมกายสุจริตวิจิตรสุจริตมโนสุจริตสมาธิเนี่ยจะเป็นปัจจัยเกิดสมาสกขปะสมาวจารสมากรรมตตาสมาอาชีวสมมาอวยมสมาสติและสมาสมาธิที่เป็นโลกุตตระจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อไอสมาธิเนี่ยเลย จะไม่ใช่อยู่ๆแล้วไปจับว่าคุณไปนั่งหลับตาก่อนนะคุณไปทํารูปแบบอย่างไงก่อนไม่ใช่เลยนะต้องเอามนุษย์สักคนหนึ่งให้ได้อะไรให้ปลูกฝังให้เกิดสัมมาทิฏฐิก่อนพอได้สัมมาทิฏฐิแล้วปล่อยได้แล้วท่านบนนั้นปล่อยไป <c oughs> <c oughs> นี่เปนอย่างนี้สําคัญตรงนี้แหละแต่ถ้ายังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ <c oughs> โอ้โหอันตรายมากอันตรายเราจะคุมเขายังไงนะเข้าน่าเน่าคุมไม่อยู่เนียบางคนไม่สร้างสัมมาทิฏฐิให้เขาไปสร้างแต่รูปแบบให้เขาเน่าเน่าเข้านเนี่ย พอตนเองเริ่มแก่ไปไอเจ้านี้จะมาคุมเราอีกทีนึ่งตัง้งแต่ดูทีบรรดาลูกศิษย์อาจารย์นะครนะครอาจารย์ก็ถูกลูกศิษย์คุมเพราะมิจฉาทิฏฐิมันจเจริญมาแลมันคุมไม่อยู่แล้วไม่ให้สมายทิฏฐิเขาก็ใช่นะครนะครับ เ, เถียงอาจารย์แล้วเดี๋ยบรรดาพวกเอ่ยนิครณเนี่ยปุรณะกัสปามคคัลยโคสาละอาชิตาเกสกพลประกุฎท่ากัจยานาะนิครณ น, นาทาบุตรสัญชัยเวลพระบุตรเนี่ยลูกศิษย์คุมมืนบรรดาชีวิตเพราะไปให้มิจฉาทิฏฐิรับนี่มันแก่ก้า ม, มันมากกว่าอาจาอีกเลนี่แล้วิจิตกว่าอาจานี่มันอันตรายมากมต้องให้อะไรอให้สมาธิสำคัญสมาธิที่จะให้ยังไงโอ้รายละเอียดอีกแล้วแนี้อะต่อ <c oughs> เมื่อบุคคลเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิแล้วกายกรรมที่ยึดถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามมิจฉาทิฏฐิก็ดี วจีกรรมที่ยึดถือปฏิบัติพังพร้อมตามตามมิจฉาทิฏฐิก็ดีมโนกรรมที่ยึดถือปฏิบัติพังพร้อมตามมิจฉาทิฏฐิเจตนาก็ดีความปรารถนาก็ดีปณิธานก็ดีการปรุงแต่งทั้งหลายก็ดีทำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าชอบใจเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อชาติทุกชร า, าทุกพญาทีทุกขมรณะทุกเป็นต้นข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะมิจฉาทิฏฐินี้ชั่วร้าย เปรีบเสมือนมเมล็ดสเสดาก็ดีมเมล็ดบวชบวกขมบวกขมก็ดีมเมล็ดเต้าขมก็ดีลูกรู้จักไอ้น้ำเต้าข ม, มที่เขาเอาไปปลูกไว้ในดินที่ชุ่มชื้นรดดินรดน้ําที่มันดูดซึมเข้าไปทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมเป็นของเผ็ดเป็นของไม่อร่อยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพืชมันไม่ดีโอ้โหอุมาดีชัดเนะ ถ้าหากบุคคลเนื้อสั่งสมไปตัวมิจฉาทิฏฐิมากๆๆกายกรรมกายกรรมที่มันยึดถือการปฏิบัติพังพร้อมไปตามความเห็นนั้นมันจะเป็นกายยทุจริตทันทีจะเป็นกายกายกรรมที่ชั่วร้ายทุจริตทันทีเพราะมันมีตัวมิจฉาทิฏฐิกลุ่มไว้กำกับไว้วิจีกรรมที่ปฏิบัติพังพร้อมไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นมันก็จะชั่วร้ายทันทีมโนกรรมกระบวนการทัศนคติมุมมองความคิดความเห็นความเชื่อมันก็จะเป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นเข้าใจไหม ทีนี้เจตนาความปรานะปรถนาปณิธานการปรุงแต่งทั้งหลายกระบวนการคิดทั้งหลายการปรุงแต่งอย่างมากมายทั้งหลายทัศนคติวิสัยทัศน์ความคิดเห็นทั้งหลายเหล่านี้ยทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาะไม่น่าใครไม่น่าชอบใจและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เลยนะไม่เป็นไปที่ไม่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันไม่เป็นประโยชน์ในพบหน้าไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือการสิ้นทุกข์เลยก็งั้นเด เป็นไปเพื่อทุกเลยเนีเป็นไปเพื่อชาติที่ทุกชาราทุกขพยาธิทุกมรณะทุกขเป็นไปเพื่อโสโกกระปริเทวาทุกขโทมณรณะเสอุปายาตเป็นไปเพื่อความเสียหายโดยส่วนเดียวเลยเพราะอะไรเพราะมิจฉาทิฏฐิมันชั่วร้ายเหมือนเม็ดสะเดาเม็ดบวบขมเม็ดน้ำเต้าขมที่เอาไปเอาไปปลูกไว้ในดินที่มีน้ำมีที่ชุ่มชื้นรดน้ําฝนนีวเนนา้มันดูดมันดูดน้ำเข้าไปดูดอะไรไเข้าไปแบบเต็มเยขมหมดเลยนะ เดาเนี่ยบวบขมเนี่ยน้ำเต้าขมเนี่ยมันขมหมดเลยว่างั้นเถอะเผ็ดด้วยเป็นของไม่อร่อยด้วยข้อนั้นเพราะอะไรเพราะพืชมันไม่ดีนั้นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยถ้าอยู่กับใครแล้วเนี่ยอย่าให้ไปทําอะไรเนียเนี่ยอย่าให้ไปปรุงแต่งอะไรอย่าไปให้คิดอะไรนะยิ่งไปใหญ่เลยเนะได้ถอนความเห็นผิดออกไม่ได้เนี่ยมันเป็ น, เ ป, นเป็นตัวเชื้อชั่วอะตัวเชื้อร้ายอยู่ในนั้นแหละไปไปคิดมีทัศนคติมุมมอ ง, มองไป มันก็คิดเรื่องทประโยชน์ในะพวกนี้อย่าลืมนะยิ่งคิดยิ่งยิ่งก่อผลที่ไม่น่าปราดหนามองเห็นไหมมันเป็นของมันอย่างนี้เนี่ยยิ่งบอกแก้ไขมนุษย์จะมีมันต้องต้องถอนไอ้ตัตตตวเนี้ยถอดรหัสเนี่ยไอย้มันเหมือนชิปที่ฝังไว้เนี่ยถอดออกเสียไอ้ชิปตัวนี้ที่มันฝังข้อมูลเสียหายไว้เอาชิปที่มันมีข้อมูลดีๆใส่ไว้ใหม่ พวกเราพวกนี้มาถอดแต่นี้ออกกันนะเนี่ยไอ้ที่มันถูกฝังมาไม่รู้กี่ตัวไม่รู้มึงที่ถอดออกมาตัวเหลืออหา้ากลัวจะไม่เย้ยหา้าเนีใส่มากันเท่าไหร่ไม่รู้เห็นในสงสารวัดกลัวจะไม่นั่งคุยกันเนี่ยเมงใส่มากี่ตัวถอดออกมาได้บา้างยังเนี่ยทีนี้เมื่อบุคคลเป็นสัมมาทิฏฐิแล้ว กายกรรมที่ยึดถือปฏิบัติพังพร้อมตามสมาธินั้นวจีกรรมที่ถือปฏิบัตรพริพังพร้อมตามสมาธิิมโนกรรมที่ถือปฏิบัตรพริพังพร้อมตามสมาธิิเจตนาก็ดีความปรารถนาก็ดีปณิธานก็ดีการปรุงแต่งทั้งหลายก็ดีทำทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนาน่าใครน่าชอบใจเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ที่พหน้าประโยชน์อย่างยิ่งด้วยเพื่อความสุขนะเพื่อบรมาสุขอย่างแท้จริงเลยนะถ้าเป็นสมาธิเนี่ย เพื่อความสุขทุกระดับจนถึงบรมสุขคือพระนิพพานเลยทีนี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะทิฏฐินั้นงามสมาทิฏฐินี้งามเปรียบเสมือนพืชพัน์อ้อยพัน์ข้าวสาลีก็ดีพัน์อ้อยก็ดีพัน์ผลจันทร์ก็ดีที่เขาเอามาลงปลูกไว้ในดินที่ชุ่มชื้น รสดินรถน้ำที่มันดูดซึมเข้าไปทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความมีรสหวานเพื่อความเป็นของอร่อยเพื่อความน่าชื่นใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพืชนั้นดีงามโอ้โหสมาธิอุปมางี้ชัดเลยนะเนี่ยพระเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายเอกบุรุษบุคคลเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลแก่มหุ้นชนเขาอกว่า เ อ, เอกบุคคลนะเอกบุคคลที่เป็นมิจฉาทิฐิอย่างหนึ่งเอกบุคคลที่เป็นสมาธิฐิอย่างหนึ่งถ้าเอกบุคคลที่เกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นบุคคลที่มีพลังมีความสามารถมีกระบวนวิสยัยทัศน์ที่เป็นมิจฉาทิฐิแบบวิจิตรบรรจงนี่นะพิสดารนี่นะเอกบุคคลประเภทนี้นะบุคคลหนึ่งหนึ่งเดียวประเภทนี้นะที่มีความสามารถมากๆอย่างนี้นะเมื่อเกิดขึ้นแล้วในโลกยอ่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เกื้อกูลแก่มหหชน ไม่เกื้อกูลแกคนหมู่มากเลยนะเพื่อไม่ใช่ความสุขแก่คนหมู่มากไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แกคนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลแกผู้หูชนเพื่อความทุกข์และแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายเอกบุคคลนั้นคือใครก็คือมิจฉาทิฐิบุคคลที่มีทัศนวิปริตเอกบุคคลผู้มีมิจฉาทิฐินั้นย่อมยั่งผู้หูชนให้ฆ่าจากพระศัทธรรมให้ตั้งมั่นอยู่ในอาัทธธรรม โอ้โหมีมีเยอะไหมล่ะบางคนเกิดมาเป็นเอกบุคคลมีความสามารถสูงมากมีวาทามีทัศนคติมีมุมมองตอนที่ฮิตเลอร์เกิดมาดูดิเวลาไปพูดปุกระดมมันเคยฟังไหมล่ะคนนั่งฟังในเวลาไอ้เจ้านี้ขึ้นไปพูดเนี่ยลุกขึ้นหมดเลยตบมือกันเป็นหลายๆสาสนคนเนี่ยแล้วก็ปุกระดมให้ฆ่ายิวโอ้โหมันให้เกลียดยิวเนี่ยนะ คนฟังแล้วมันทุกคนฟังแล้วเหมือนกืบขั้งเลยว่างั้นเถอะนี่เอกบุคคลที่มีทัศนวิปริตมีวิสัยทัศชัว่วลายเนี่ยว่างั้นเถอะแล้วพอปลูกฟังวิชาทิฏฐิให้กับในใจคนปุ๊บโอ้โหคนพวกนี้มันฆ่ากันระเบิดเถิงเลยในนี้น่นากลัวมากว่าเผายิวไปไม่รู้เท่าไรฆ่ายิวไปหกเจ็ดล้าใช่ไหม เนี่ยเอกบุคคลไหมนี่มิจฉาทิฏฐิอย่าไปโอบไปกับใครนะขนาดนั้นเลยเนะี่ยมันนารัตที่ความเชื่อเลยทั้งหลายเหล่านี้ท่านมีความสามารถขึ้นมายุ่งเก่งมากุณเก่งปัญญามารับใช้มิจฉาทิฏฐิปัญญามารับใช้มิจฉาทิฏฐิไหมมิจฉาทิฏฐิมันขมไว้มันเหมือนกับเมล็ดบวกบวกข ม, มเมล็ดน้ำเต้าขมเนี่ยมเมล็ดสะเดาเนี่ยรดน้ำฝนดินมันขมหมดเลยมันขมเลย ไม่มีรสชาติที่น่าปราตะนาเลยว่า ง, งี้ยเด็กบุคคลชั่วลายก็เหมือนกันลองปลูกฝังดูดิเอามนุษย์ทุกคน ล, ลองส่งลูกส่งหลานไปให้อยู่กับพวกมีทัศนะติความเข็นอย่างนี้ลองดูดิกลับมามันจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลย <c oughs> นี่ขนาดนั้นนงะโอพระเจ้านี่เห็นทะลุทะลวงหมดเลยเนะนี่ยเนี่ยนี่กรรมเนี่ยมนโนกรรมนี่กาลังพูดเรื่องความร้ายกาจกับมนโนกรรมในฝ่ายชั่วลานทำลายก็ได้ในโลกนี้่ ทีนี้ภิกษุ่ทั้งหลายเอกบุคคลเมื่อเกิดขึ้นในโลกเนี่ยย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่บหูชนเพื่อความสุขแก่มหูชนเพื่อประโยชน์ทั้ง3าอย่างดังกล่าวนี่แหละเพื่อเกื้อกูลแก่บหูชนเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอกบุคคลเหล่านั้นคือใครได้แก่บุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิที่มีทัศนะไม่วิปริตเอก บ, บุคคลที่เป็นสัมมาถถทิฏฐินั้นย่อมยางมหูชนให้ออกพ้นจากอ า, อาศัต ธ, ธรรมแล้วก็ให้เข้าให้ตั้งมั่นอยู่ในพระศัตธรรม สัจธรรมยัอะไรบ้างปริยัติสัจธรรมปฏิบัติสัจธรรมปฏิเวทสัจธรรมใช่ไหมบางปริยัติสัจธรรมเนี่ยพระสัจธรรมที่เกี่ยวกับคําสอนคําสอนที่ถูกต้องคําสอนที่เป็นไปกับการที่จะให้มนุษย์น่ยมีศรัทธามีศีลมีสุตามีจาระปัญญาว่าปฏิบัติสัจธรรมก็คือข้อปฏิบัติที่ยังกระแสชีวิตให้ดําเนินไปตามมชมาปฏิเวทา ปฏิเวทสัตยธรรมก็คือการบรรลุอริยมรรคอริยผลใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมว่าถ้าเอกบุคคลที่ดีที่เป็นสมาธิที่เกิดมาเนี่ยเขาจะดึงออกจากอสัตธรรมสิ่งที่ไม่ใช่เป็นคําสอนที่ถูกต้องในทนทางที่ไม่ถูกต้องและจุดหมายปลายทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเอกบุคคลที่เป็นสมาธิจะดึงบุคคลเหล่านี้เข้ามาอยู่ตั้งมั่นอยู่ในสัตยธรรม3ประการเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเราไปอยู่ในอสัตธรรมมาสิ่งที่ไม่ใช่ คำสอนที่จะนําพากระแสชีวิตให้พ้นจากวัฏทุกรนี่จะเข้าถึงอบายทุกติวิบัติในโกเพราะได้เอกบุคคลอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละดึงพวกเราออกมาจากอาสัตธรรมมาตั้งมั่นอยู่ในสัตยธรรมตอนเนี้ยเอามาตั้งได้แป๊บหนึ่งก็หลุดไปอีกแล้วไปอยู่ในอสัตธรรมดึงมาใหม่กันอยู่องเี้ยเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดึงนี่นะ ภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นทำอย่างอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่มีโทษเหมือนมิจฉาทิฐินี้เลยภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เป็นโทษทั้งหลายมิจฉาทิฐินี่แหละมีโทษอย่างยิ่งมีโทษอย่างรุนแรงมีโทษอย่างมากมายที่สุดไม่มีโทษใดๆที่จะรุนแรงและเสียหายร้ายกาศเท่ากับมิจฉาทิถีเลย <c oughs> อเออเริ่มเห็นความสําคัญไหมว่ามิจฉาทิถีนี่มันเสียหายมากทีนี้ ถ้าเราเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ไม่แข็งแรงไม่มีภูมิคุ้มกันของสัมมาทิฏฐิที่แข็งแรงจริงๆอยากเข้าไปหามิจฉาทิฏฐิบุคคลเด็ดขาดให้รีบออกมาเสียเว้นไว้แต่เป็นระดับระดับใครดีเวลาตอนที่พระพุทธเจ้าตอนที่พระเทวทัตเนี่ยตอนที่พระเทวทัตเกลี้ยกล่อม ใช้มิชาทิฏฐิของตนเองอะดึงสาวกพุทธิยาเป็นห้าร้อยลูกแยกคนณะออกไปพระเจ้าก็ส่งภาษาริบบทกับพระโมคคัลลานะไปอ อ, อย่างเงี้ยไปแล้วดึงกลับได้ถ้าส่งอย่างเราๆไปเราก็จะไปเป็นจากที่ห้าร้อยกลายเป็นห้าร้อยหนึ่งแต่ทนนี่จะไปดึงเขาก็ส่งก็ดึงนี่เป็นอย่างเงี้ยเข้าใจไหมล่ะ แล้วส่โอ้ส่งท่านแมงไปเราไ ม, ไม่ไปกลับมาเล้วโอ้เป็นกาพระเทวทัศน์อย่างนั้นโอ้สุดยอดเลยพระอาจารย์แต่ก่อนไม่ผมตาสว่างมาก็พระแต่พเทวทัศนนี่แหละใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้นนะีพระโอ้พูดอลไรมันถูกกิเลสเราหมดเลยเพราะเราก็มีมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วใช่ไหมพอพูดปั๊บมาเออมันใช่เลยมันใช่เลยพูดอะไรมันใช่หมดมันตรงใจหมดงงนเนะว่างค่นี้ หรู้จักกิเลสเราด้วยสองยังให้อาหารกิเลสของเราได้อย่างดีด้วยสุดยอดโอ้ได้ความเพื่มใจมากความสามารถของเทวดาเนี่ยทำบุคคล8ปดหมื่นตระกูลให้ตกนรกตามตนเองไปด้วยนี่คือความสามารถไม่ใช่แปดหมืนคนนะแปดหมืนตระกูล <c oughs> นี่คือความสามารถของมิจฉาทิฏฐิแท้ <c oughs> ที่ทาให้ร่วงวงเวจี v ตามตนเองโดยนี่คือความสามารถไหม นี่เอกบุคคลนั่นน่ะเกิดมาเนี่ยเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อกูลไม่ใช่เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานกับบุคคลเล ย, ยนี่ความสามารถสูงมากนั้นไอ้ที่ว่าถ้าเป็นผู้ดูชนธ ร, รรมดาเนี่ยส่งไป ห, หาพระเทวทัตเนี่ยเรียบร้อยไม่ออกมาเลยสวานิพัทธนี่ขนาดนี้เลยเราจะยกนั้ น, นถ้า ถ้าศาสดาไม่เก่งจริงเนี่ยถ้าคนไม่เก่งจริงเนี่ยไม่มีทางเลยเกิดในยุคที่พุทรัชยาเนี่ยคนปัญญาระดับทั้งนั้นเลยเจ๋งๆทั้งนั้นแหละว่าไงเนีไม่แน่จริงเนี่ยอย่าอย่าไปประเภทที่ต้องมีปัญญาระดับชนิดที่เจ๋งทั้งนั้นแหละเวลาเขาส่งไปโต้วาทากันเนี่ยขนาดเจ็ดวันเจ็ดคืนนี่นะอย่างเช่นสัจจกะนิครณเนี่ยเดี๋ยวต่อไปยอมสูตรนิมมัสสาติยานี่พูดพอเป็นน้ำเลี้ยงเนี่ดูว่าก่อนสัจจกะนิครณจะเกิดขึ้นมาเนี่ย มีมีนิครนนิคันถาน่ผู้ชายนิคันถีนิผู้หญิงนิคันถานิคันถีสองคนเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของศัสตาการเงินสองคนไปเจอกันที่ที่เวสาลีนี่โต้วาทากันอยู่เจ็ดวันไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะมีจาาท่ถีตั้งคู่เทียงเงินโอ้ย หน้าข้าวหนข้ข้าก็เลยทาไงนี่เก่งอยู่ฉลาดทั้งคู่เนี่ยจับสองคนแต่งกันเลยแต่งงานกันสิต้องระวังนะเอาฉลาดต่อฉลาดไปแต่งกันเนี่ยเขาบอกเกิดไอ้ลูกที่ออกมาไปรับส่วนที่ไม่ดีของพ่อเขาส่วนไม่ดีของแม่ออกมาจะกลายเป็นโง่สุดเลยเข้าใจใช่ไหมแต่สัจจกาไม่เป็นอย่างนั้นไปรับยีนที่ดีๆของพ่อของแม่มาโอ้โหเนี่ยมีพ่อแม่ขนาดนั้นเนี่ย ถึงเก่งมากรจชการมันเป็นคนแล้วบางทีเรียนเรียนคําสอนเรียนทัศนาคติมุมมองข้อคิดจากพ่อจากแม่มาจนโตเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วจะเห็นใครอยู่ในสายตาไหมราจการทุกคนไม่เคยเห็นใครอยู่ในสายตาพอาะที่ยินยว่าพระเจ้าบัตเกิดขึ้นมาเนี่โหมือรูปท้องเลยไปที่ไหนต้องใช้เหล็กดามท้องเขาไว้ความต้องต้องต้องคอยรัดความรู้เขาไว้เพราะความรู้เยอะจัดเดี๋ยวจะดันท้องแตกมา ขนาดนั้นเขาฟังเขาพละนาพระเจ้าเนี่ยบอโอ้โห้เจอพระเจ้าเนี่ยนะพูดยังไงรู้ไหมจะโต้วาทัศด้วยวาทถ้าเห็นพระเจ้าเนี่ยบอ ก, ออ ว, ว, ว, ว, บอกว่าตนเองจะเป็นทําเหมือนเหมือนเหมือนช้างอ่ะช้างลงไปในสากใช้งวงจับถอนเง่าบัวขึ้นมาฟาดเล่นอย่างนี้จะหักล้างวาทถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> หรือเหมือนปูอ่ะ เหมือนเด็กไปเห็นปูแล้วก็จับเอาเชือกมัดแล้วก็เอาเอาเอ า, เอาหินเอาเอาไม้ต่อยต่อยเอกก้ามปูออกแล้วก็เชือกมัดปูรากเล่นไปมาอย่างนั้อยากหวาทะพุทธเจ้าขนาดนั้นอยากเจอจริงอยากเจอจริ ง, จรงเจอพวกนิโครเจอพระเจ้าริชวีห้าร้อยคนประชุมกันพาราณาคุณพุทธเจ้าก็นั่งฟังค้านขึนข้นมา บอกไม่เชื่ออยากเจอขี้ยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขนาดนขนาดนั้นเลยคักตะคือแต่ละคนพอได้ยินเขาตื่นเต้นขนลุกใช่ไหมแต่เจ้านี้ตื่นเต้นเหมือนกันอยากโต้วาทะ <c oughs> อย่างเงี้ยนีพิจาที่ทีนี้น่ากลัวมากนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณา เขบอกว่าทำทั้งหลายบอกว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นเจ้าใหญ่สําเร็จลงด้วยใจถ้าบุคคลมีใจเสียหายแล้วจะพูดก็ตามจะทําก็ตามความทุกข์ย่อมติดตามเขตามเข้าไปเหมือนล้อหมุนตามโคที่ลากเกวียนไปเช่นั้นถ้าบุคคลมีจิตใจผ่องใสแล้วจะพูดก็ตามจะทําก็ตามความสุขก็ติดตามเข้าไปเหมือนดังเงาที่ติดตามตัวไปฉะนั้นเห็นไหม นันน be ีก็ดูว่าเราจะมีสัมมาทิฏฐิติดตามตัวหรือมิจฉาทิฏฐิถ้ามิจฉาทิฏฐิติดตามตัวไปแล้วโโหพูดก็ตามทาก็ตามคิดก็ตามมันเสียหายหมดเลยงั้นเวลาจะแก้ไขมนุษย์มันต้องแก้ตัวนี้ทัศน์าความเห็นตัวนี้แหละแล้ยากมากเป็นเรื่องการแก้ไขยากมากใช่ั้ยนั้นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกรรมเนี่ย กรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความดีและความชั่วโดยตรงนี้นถ้าพูดถึงกรรมก็ต้องพูดถึงเรื่องความดีความชั่วไว้ด้วยกรรมกรรมที่เป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมทั้งหลายเหล่า น, นี้ตรงนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจให้ชัดพอจะแยกออกอยังทีนี้ามาดูเรื่องกุศลอกุศลกุศลกรรมอกุศลกรรมใช่ไหมกุศลเนี่ย คำว่ากุศลนี่แปลว่าอะไรกุศละกุศละเนะี่ยแปลตามศัพท์นะแปลว่าฉลาดกุศละเนะี่ยโกศลฉลาดเนี่ยคำเดียวกันเลยไปถึงปัญญาเนี่ยนะกุศลกุศลเนี่ยแปลว่าชํานาญก็ได้แปลว่าสบายก็ได้เอื้อหรือเกื้อกูลเหมาะก็ได้ดีงามก็ได้เป็นบุญคล่องแคล่วก็ได้ที่เขานิยมแปล ก, กันอีกความหมายหนึ่งก็คือถ้าในคําสอนก็แปลว่าเป็นตัวตัดโรคตัดสิ่งชั่วร้าย ที่น่ารังเกียจอุตละศัพท์เนี่ยแปลว่าตัดก็ได้ตัดโรคตัดสิ่งที่ชั่วร้ายติดตัดสิ่งที่น่ารังเกียจถ้าอากุศลก็เลยแปลตรงกันข้ามสภาวะที่เป็นปฏิปักษ์ต่ อ, อกุศลก็คือสภาวะที่ไม่ฉลาดไม่ชํานาญไม่สบายเวลอาอกุศลเกิดขึ้นไม่สบายไหมบาปเกิดขึ้นน่ยอกุศลเกิดขึ้นไม่สบายไม่เอือ้อไม่เกื้อกูลไม่เหมาะไม่ดีงามเป็นบาปด้วยเป็นโรคเองเป็นโรคเป็นสิ่งเจ้าหมอง ฉะนั้นเวลาอธิบายเชิงในความหมายทางธรรมะเนี่ยท่านในคัมภีร์ธรรมสังคณีเนี่ยนะเขาจะอธิบายไว้สี่ความหมายอโรคยะความหมายหนึ่งกุศลเนี่ยอนาวัชชะกุศลสมภูตาแล้วก็สุขาวิปากสุขาวิปากะสี่ความหมายนี่แหละถ้าอากุศลก็ต้องตรงกันข้ามเป็นโรคยะไปเป็น วัชชะเป็นโทษไปเป็นเป็นความไม่ฉลาดอากสัละไปแล้วก็เป็นทุกขเขาวิบากนจะตรงกันข้ามอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราจะวัดว่าเราจะได้กุศลหรืออกุศลเนี่ยให้เอาสี่ความหมายนี่ไปจับอันแรกที่ว่าอารมคยเนคือความไม่มีโรคเนี่ยก็คือสภาพจิตที่ไม่มีโรคเรียกสุขภาพจิตที่ดีนี่ จิตที่มีโรคเป็นจิตยังไงจิตที่ไม่มีโรคถ้าจิตไม่มีโรคก็ต้องเป็นจิตที่ไม่กระสับกระส่ายเป็นจิตที่แข็งแรงคล่องแคล่วสบายใช้งานได้ดีใช่ไหมเป็นจิตที่แข็งแรงตั้งมั่นด้วยไม่หวั่นไหวด้วยนี่เป็นจิตที่ไม่มีโรคเคยเคยเป็นไหมสภาพจิตแบบเนี้เป็นจิตที่ไม่กระสับกระส่ายจิตที่แข็งแรงเป็นจิตที่คล่องแคล่วเคยไหมคิดอะไรก็ไม่ออกอืึยืดญาดหงอยเหงาเศร้าซึมอันนี้แปลว่าเป็น มันเป็นโรคจิตมันเป็นโรคบางคนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโรคแล้วเป็นจิตมีของ อ, อ, อนนวัชะเป็นจิตไม่มีโทษไม่มีโทษในที่นั้นคือไรตําหนิแสดงถึงภาวะที่จิตสมบูรณ์ไม่บกพร่องไม่เสียหายไม่มีของเสียไม่มัวหมองไม่ขุนมัวแล้วก็สะอาดเกลี้ยงกราวี่ยมอ่องพองแผ้วอันนี้ก็วกว่าอนาวัชะ ถวัชะในแปลวมีโทษมีโทษมีของเสียเต็มไปหมดเลยนะจิตที่มีโทษจิตที่มีตรงนี้แล้วก็โกศลสัมภูตะอันนี้เกิดจากปัญญาหรือเกิดจากความฉลาดเกิดจากความสว่างสะอาดคิดอะไรคล่องมาเวลาถ้ากุศลเกิดขึ้นมาคิดอะไรได้ปุ๊บปุ๊เคยเป็นไหมคิดอะไรนี่ฉลาดมากคิดอะไรก็ออกมันถึงใจเราเวลาฟังอะไรปุ๊บนี่นะเข้าใจได้ปุ๊บปุ๊เป็นบ่อยไหมแบบเนี้ย วันนึงเป็นกี่รอบ <c oughs> จิตแบบโก้ไอโก้สนสัมพูฐานเนี่ยคิดอะไรมันก็ออกแล้วมันก็แข่มชื่นเบิกบานใจคิดอะไรก็ทะลุทะลวงทุกแง่ทุกมุมไม่ติดขัดเลย <c oughs> เป็นไหมเป็นบ่อยไหมยังมึนๆตื้อๆอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมแปลว่าจิตไม่ฉลาดอันนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลที น, นที้จิตที่จะฉลาดมาได้มันมาจากกาลังของโยนิสโสมโยนิสโสมนาสิกาเนี่ย ความเป็นผู้ฉลาดคิดควาวิจัยแยกแยะอะไรเงี้ยนึงฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะฉลาดไปนั่งสมาธิเรื่อยๆจะฉลาดขึ้นไหมแต่มันเป็นฐานของความฉลาดได้เนียมันอยู่ที่ว่าฟังแล้วไปนั่งฟังแล้วไปนั่งได้ฟังข้อมูลสุตตานี่เพราะว่ายอมขอศีลพระให้ศิข้าบทเอาไปฝึกแม้เยอะหม้ พระให้ศีลไม่ได้แต่พระบอกสิคขาบทบอกข้อฝึกไปนี่ฝึกอย่างนี้อฝึกจารีศีลฝึกแบบนี้แบบนี้แบบนี้จารีศีลกับศีลกับคุณพ่อคุณแม่ให้ฝึกอย่างนี้คุณเป็นพ่อเป็นแม่ฝึกจารีศีลกับลูกแบบนี้ฝึกจารีศีลกับเพื่อนทําอย่างนี้อย่างนี้ฝึกจารีศีลกับสามีกับภรรยาทําอย่างนี้ฝึกจารีศีลกับเอ กับพี่ป้านะอาทำอย่างนี้ฝึกจารีสินกับครัาจารย์ทำนี้ฝึกจารีสินกับศิษย์ทำนี้ฝึกจารีสีนกับหัวหน้าทำนี้ฝึกจารีสินกับลูกน้องทำนี้ฝึกจารีสินกับพระสงค์อย่างนี้ฝึกจารีสินกับญาติโยมทำอย่างนี้เนี่ยพระบอกสิกขาบทบทข้อฝึกไปอาจะจะฝึกวาลีจะศีลแต่ละข้องดเว้นจากการฆ่าฝึกอย่างนี้และใจให้เป็นไปกับเมตตากรุณาเป็นยังไงฝึกงดเว้นจากการรักการพฤติบิดในการเป็นต้นไร่ไปทํามํานี้ฝึกนี้งั้นยอมอยากจะ ยอมขอศีลพระไม่ได้ให้ศีลพระบอกอะไรบอกสิกขาบทยอมอยากได้สมาธิพระก็บอกกรรมฐานไงอยากได้สมาธิเอาอะไรเอาเอาพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีราชัดยาขาเป็นต้นลายลายลายไปถึงอาณาปานสตินะบอกศีลสิอสุภาษิโกฏท้าสบัญญัติอาณาปณะปิยมานาสุกิตสสัต บอกกรรมฐานสี่สิไปเนี่ยอยากได้สมาธิก็บอกไปอะยมอยากได้ปัญญาทําไงไม่ใช่ให้ไปนั่งสมาธินะพระบอกสุตตะบอกพระสูตรบอกข้อมูลบอกคำสอนพระเจ้าไปบอกบอกบอกนี่เป็นอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมอยากได้ศีลพระบอกอะไรบอกสิกขาบทอยากได้สมาธิกับกรรมฐานสี่สิบบอก เอายอมอยากได้ปัญญาบอกสุตตะบอกข้อมูลนะสั่งสมข้อมูลไปแล้วเอาไปวิจัยต่อชัดเจนอย่างที่เนี้ยนั้นศีลสมาธิปัญญาเขาเจริญกันอย่างนี้โอ้ควรจะเข้าใจสรุปว่าอ้าข้อสุดท้ายสุขขาววิบาก ถ้ากุศลจะเป็นสุขเวิบาศคําว่าสุขเวิบาศ ค, คือสภาพที่ทําให้มีความสุขเวลากุศลธรรมเกิดขึ้นในใจปุ๊บความสุขความคล่องแคล่วความไม่มีโรคเบียดเบียนความที่ความสกโปกหายไปมวลทินหายไปจิตที่เป็นพิษร้ายหายไปเลยทีนี้จิตที่มั่นคงปลอดภัยมีความสุขมีปลาโมดมีความฉลาดทั้งหลายเกิดขึ้นทันเดียวนั้นไหมโอ้สุขวิบาศเกิดเดียวนั้นแหละ และในขณะเดียวกันถ้าจิตมันเป็นโรคมีของเสียจิตเศร้ราหมองอกุศลเกิดขึ้นมาปุ๊บความไม่ฉลาดเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นทุกเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นไหมความทุกความเศร้าหมองความขับคล้องเกิดเดี๋ยวนั้นอเหมือนกันดูมันเดี๋ยวนั้นเลยนะเนีย่ยเป็นทั้งเป็นศาสตชาตากรรมเลยนะนี่เป็นอย่างนี้นั้นทั้งอกุศลอกุศลมันเกิดเดี๋ยวนั้นแหละแล้วก็มันให้ความสุขความทุกเดี๋ยวนั้นแหละนั่งฟังอย่างเงี้ยอกุศลเกิดปุ๊บทุกทันทีไหม ทุกทันทีเลยเนะี่ยนี่เป็นอย่างนี้แหละพอจะเนี่ยสิ่งที่เราจะจับว่าเรากุศลเราได้หรือไม่ได้ก็อรโครคยะอนนาวช้าโกศลสัมพูตะาสุขวิบากได้สี่ความหมายนี้ชัดเลยนะเอาไว้ตรวจสอบใช่พอบอกอนนาวช้าคืออะไร อารมคยะคือไม่มีโรคโกสลสัมภูตจิตที่เป็นไปกับความฉลาดความคล่องแคล่วความสว่างเนื้คิดอะไรได้คล่องแคล่วแล้วก็สุขขวิบากความสุขเอ๋ยจิตสบายเอื้อทั้งหลายต่างเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยปราโมทวิติปัสสิสุขเกิดเดี๋ยวนั้นเนี่ยเป็นอย่างนี้นิวัดแล้วก็ตรวจสอบตลอดไหม แต่ละครั้งแต่ละครั้งก็มันตรวจสอบกี่ชั่วโมงตรวจสอบทั้ง <c oughs> <c oughs> อเจอหน้ากันก็ถามว่ายังไงอโรคยะเกิดได้ยังอนัวช้าเกิดได้ยังโกศลสัมพุตตะสุขบาวะเกิดได้ยังแต่ก่อนก็เกิดดีหรอเพิ่งมาเกิดตอนที่คุณพูดคำนี้แหละท <c oughs> าไมพูดเสร็จแล้วจะเกิดดี <c oughs> โอ้โหมันเบามากเลยเนะสยจิตกุศลของก็กล้านี้ไม่ค่อยแข็งแรงตั้งมันนะ่นเนอะมีคนมาโยกนิดเดียวหลุดไหมหลุดหรือเปล่าทาไมออกง่ายจังมีกําลังนั่งกรรมฐานอยู่อะถ้ามีคนไม่นั่งกรรมฐานอยู่มีจิ้งจบถ่ายอยุจจาระลดปุบ๊บกุศลเกิดนี้กุศลหายไหมแค่นั้นเองเ <c oughs> โอ้ยกุศลคุณหลุดง่ายเกิน ยังจิงจกถ่ายอุจจาระลดศรีรษะแค่นี้หายไปแล้วหามองโอ้โหตรงไหนมึงไม่ไปยัง <c oughs> มาแค่ตรงนี้เองนะเนี่ยดูดิเนะนี่ยเข้าใจไหมว่าของเราเกิดง่ายหรือยากทีนี้สภาพจิตเนี่ยนะสะภาพจิตที่เป็นจิตที่ดี เป็นสภาพจิต ท, ที่เป็นกุศลทั้งหลายเนี่ยโอ้โหถ้าได้อย่างนี้หนึ่งไอภาวะตั้งมั่นแห่งจิตตั้งมั่นแนว่วแน่อยู่ตัวนี่เรียบไม่วันไหวไม่วอกแวกไม่พลานไม่สายเขาเรียกว่าสมาหิตะจิต ท, ที่ตั้งมั่นใครเคยได้สภาพจิตแบบนี้บ้างไหมจิต ท, ที่ตั้งมั่น สก็คือบริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากสิ่งมัวหมองไม่ขุนมัวไม่เศร้าหมองเนี่ยเกลี้ยงเกลาผุดผ่องใสสว่างเคยได้ไหมจิตแบบนี้ประการที่3ก็โปร่งโล่งเป็ดิสระไม่ติดข้องไม่คับแคบด้วยไม่ถูกจํากัดขัดขวางไม่ถูกกดทับบีบคั้นไม่อึดอัดกว้างขวางไร้เขตแดนเคยได้ยังจิตแบบนี้แล้วก็สี่ก็เหมาะแก่การใช้งานนุ่มนวล อ่อนละมุนเบาสบายไม่หนักคล่องแคล้วทวนทานไม่เปราะไม่ส่อด้วยไม่กระด้างซื่อตรงไม่เอ็นเอียงไม่คดงอไม่บิดเบือนไม่เคะฉตนี้ก็คือกลรมพวกรีกรมที่ว่ากายปสัสสติจิตตปสัสสติกายะละหุตาจิตตะละหุตาหรือเนี่ยจิตเหล่านี้นเกิดขึ้นมาปรับเดี๋ยวจะอธิบายเอาไว้วิวโอกาสก็จะอธิบายแต่ละตัวแต่ละตัวให้ดูว่าเออมันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ ถึงแม้ยังทําไม่ได้มันทําให้รู้สึกโอ้โหจะเข้าๆให้ได้เนี่ยนะจะต้องเอาจิตประเภทนี้ให้ได้แล้วก็สงบเป็นสุขผ่อนคลายเรียบสงบไม่เครียดจิตปัจสถานี่เคยเป็นไหมปัจสธินี่ที่ผ่อนคลายอไม่เครียดไม่คับแค้นไม่เดือดร้อนไม่กระสับกระส่ายไม่ทุรนทุรายไม่ขาดแคลนไม่หิวโหยเอิบอิ่มสงบเย็น นี่พูดที่มีความรู้สึกโอ้อยากได้จิตประเภทนี้อันนี้คือกุศลทั้งนั้นที่พูดทั้งหเคยได้ไหมยอมลำเปียกเคยได้จิตแบบนี้ไหมเอาเวลามองหน้าลูกชายปุ๊บจิตแบบรออนี้เกิดเลยไหมเอาไปฝากไว้กับเขาสักนึ่งบางทีเราก็เอาความเอาจิตที่เป็นกุศลเน่กุศลไปฝากไว้กับคนอื่นเวลาคนอื่นทาบาป จิตเราก็เศร้าหมองเวลาก็ดื่นก็ททำดีจิตเราก็ผ่องแผ้วทำไมเป็นอย่างนั้นไม่มีอัตมโนโหติไม่มีใจเป็นของตนเองเลยใช่ไหมใจเราก็ลัไปขึ้นกับสิ่งอื่นเคยเป็นใช่ไหมทีนี้ดีไหมแบบนี้แบบนี้ไม่ดีอาพูดถึงเจตนาหก รูปสัญเจตนาสัทธาสัญเจตนาคันธาสัญเจตนารสะสัญเจตนาโผดภพสัญเจตนาแล้วก็ธรรมะสัญเจตนาเรื่องใหญ่เรืองเจตนา6รูปสัญเจตนาก็หมายถึงความมุ่งหมายจงใจต่อรูปที่ปรากฏทางจักขุทวารต่างๆานี่ถ้ารูปหรือสีนั้นเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจเจตนาก็ปรุงแต่งจิตแล้ปรุงแต่งจิตแล้วก็กระตุ้นสัญญาให้เกิดการจํา พอกระตุ humans, them, the counties, ้นสัญญาิเก uh ิดการจําและทําความสําคัญต่อรูปนั้นเพื่อชื่นชมเพื่อให้ได้ครอบครองเพื่อขวนขวายที่ยังให้เห็นรูปนั้นบ่อยๆเพื่อเพื่อส้ำยุทธรรมทําการปลราบปโรมใจให้สดชื่นเบิกบานอยู่เสมอแต่ถ้ารูปนั้นเป็นรูปที่ไม่น่าประถนาเป็นสีที่ไม่น่าน่าประทนาไม่น่าค่าไม่น่าชอบใจแต่เป็นอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อจิตใจมากเจตนาก็กระตุ้นสัญญาให้เกิดการจดจําทําความสําคัญต่อรูปนั้นว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียด เป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าทำลายให้ย่อยยับไปเพื่อเมื่อมีภัยเกิดขึ้นมาจากรูปนั้นตลอดถึงสิ่งที่มีรักหนคล้ายกับรูปนั้นด้วยก็มีความรู้สึกลังเกียจอยากจะผลักดีเนี่ยรูปประสังเจตนะาการปรุงแต่งชอบกับไม่ชอบในรูปเป็นบ่อยไหมแบบนี้แล้วก็มานั่งดีว่ารูปอะไรรูปของใครใช่รูปที่น่ารักปัจจุบันก็เป็นถ้าเป็นรูปการ์ตูนเน่นนะ รูปสวยๆงามๆทั้งหลายเลยเนี่ยโอ้โหปรุงแต่งหน้าชอบใจเลยใช่ไหมถ้าเป็นคนเหมือนกันระหว่างเจอเด็กนะเจอเด็กเล็กๆกําลังวิ่งเล่นนะคานกําลังคานกําลังเล่นไม่รู้เรื่องเหมือนกันกับเจอรูปคนแก่คานเล่นเหมือนกันสองรูปนี้ปรุงแต่งยังไงดีปรุงแต่งยังไงดีน่ารักเหมือนกันไหย เอา้าถ้าเพื่ออะไร เ, เล่นไปปั๊บผ้าผ่อนไม่ได้นุ่มเหมือนกันเอ <c oughs> ร้รักรักรูปไหนมากกว่าชอบใจหัหยปุงแต่งหน้ารักทนนี่เห็นไหมนี่รักรูปปัจสัญเจตนานี่ปรุงแต่งทางความโลภทางความยินดีเพล่ดเพลินปุงแต่งใจอยากจะเห็นอยากจะเกี่ยวข้องคิดถึงเอามาพูดตลอด อีกวันหนึ่งไปเจอไอ้รูปคนแก่แกเนี่ยก็ทําท่าเหมือนเด็กทุกประการเลยฟันก็ไม่มีเหมือนกันแล้วทําไมไม่โอบเหมือนกันพราอะไรไหมสัญญาของเราเนี่ยเป็น ป, ปั่นแก่สัญญาจริงนะถ้าเราลองสร้างทัศนคติใหม่กันดิสร้างสัญญาใหม่ให้โอบรูปรูปคนแก่เนี่ย ให้เห็นชอบแล้วก็พรณนาความงามอันนี่นะตั้งแต่เด็กๆ เ, เลยนะเราเห็นรูปคนแก่นี่จะชอบแต่เห็นรูปเด็กแล้วจะเกียดมันก็จะไปมันอย่างนั้นแหละมันถูกปรุงแต่งไปอย่างนั้นนี่บังเอิญเราถูกปรุงแต่งมาอย่างนี้น่นารักอุย้ยดูแลจ้ำม่ำําดูอะไรก็ว่าไปานีนะพ่อกับแม่เนี่ยตอนลูกเด็กเล็กๆ เ, เ, เนี่ยจูบด้วหมดนะฝ่าเท้าก็จูบได้ย เอาฝาท้ามาเหยียบที่หน้าตัวเองชื่นใจอ้าไปก็ไปไปหาแม่ที่แก่แล้วก็ไปจูบที่เท้ากันเอาเท้าแม่มารูปหน้าตัวเองได้ไหมทําแบบรักมันเด็กคนนั้นได้ไหมทําไมไม่ได้เข้าใจคําว่ารูปปัจสันเจตนาอย่งปรุงแต่งรูปดีแล้วไม่ดีก็ปรุงแต่งเอาศรัทธาสัญเจตนา บงแต่งเสียงเสียงแม่ร้องไห้เสียงลูกร้องไห้ตัวเล็กๆต่างกันไหมลูกร้องไห้สุนัขร้องไห้ <c oughs> <c oughs> พัวล้อกันมาแล้วโอ้ยโหยหวน ท, ท, ทั้งๆที่มันเสียงหน่าเกลียดนี่แหละแต่โหยเราฟังแล้วรู้สึกทนไม่ไหวบงแต่ง <c oughs> ใช่ไห เ อ, อิ่มปรุงแต่งประหลาดประหลาดเสียงเสียงเสียงเด็กกับเสียงผู้ใหญ่เนี่ยแล้วชอบเสียงไหนเสียงคนแก่กับเสียงเด็กเพราะอะไรอะ <c oughs> เออเป็นอย่างนั้นไปน ท, ท, ทั้งที่ร้องไห้เหมือนกันเนี่ยนะอ่าถ้าเขาพูดแบบเสียงพูดพราะเะเล็กแม่จา๋าแม่จา๋าเด็กเล็กๆกำลังพัดพูด ตอนแม่เราแก่เริ่มหลงแล้วก็เห็นหน้าแล้วก็แม่จา๋าแม่จา๋าเราฟังแล้วชื่นใจเหมือนกันไหมชื่นใจไหมเพราะอะไรเมนปรุงแต่งไปทางที่ผิดพลาดเนี่ยนีย่เรียกว่าพวกกลุ่มศรัทธาสังเจตนาก็คือว่าเสียงที่มากระทบทางโสตทวารลงทางทวารหูเสียงนั้นเป็นอารมณ์ที่น่ายินดีน่าปราถนาก็ชอบใจหลงไหลในเสียง สงหลามากบางทีเนี่ยขนาดเสียงนี่อยู่ไกลแสนไกลก็โทรโทรศัพท์อยากจะยินเสียงเขาจะยินแล้วชื่นใจอยู่ไกลแสนไกลเสียงอ่อแ อ, อ่อแอขอที่พูดะขอฟังฟังเสียงตอนนั้นน่ยที่ไปเยี่ยมยมหนูใช่ไหมลูกก็อยู่ต่างประเทศเขาบอกเขาต้องฟังดยินเสียงลูกก็ร้องไห้ทุกวันลูกไปอยู่ต่างประเทศน่รักลูกมาก เนี่ยเขาเศรัทธาสังเตะชอบเสียงไม่เห็นอ้าวเดี๋ยวนี้เห็นได้ด้วยยังไม่พอใจนะขนาดเห็นทั้งโทรศัพท์ด้วยได้ยินเสียงด้วยยังไม่พอใจนะอยากไปถูกเนื้อต้องตัวด้วยใช่ไหมคืออยากให้อยากได้สัมผัส ท, ทั้งทุกทางอะ่ะทางรูปแล้ก็เสียงด้วยกลิ่นด้วยรสสัมผัส ด, ด้วยทำเนี้ยคืออยากตอบสนองทั้งหมดทางตาหกลิจหัวจใจทั้งหมดก็คืออยากดัก ดึงมายึดของนี่พวกเนี่ยทั้งรูปสันเจตนาสัทธาสันเจตนาตั้งหลายมีอิทธิพลคันท่สันเจตนาก็กลิ่นปรุงแต่งกลิ่นจงใจกลิ่นที่มากระทบทางคานธทวานทางจมูกนั่นแหละที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนานระหว่างรูปเสียงกลิ่นเนี่ยอะไรมีอิทธิพลกับเรามากที่สุดถ้าผีเอออมนุษย์จะมาหลอกถ้าใช้รูปมาหลอก ใช้เสียงมาหลอกใช้กลิ่นมาหลอกที่เรากลัวที่สุดทางไหนทัางโลกใช่มไหมเสียงอะมาเสียงก็ไม่กลัวเลยกลิ่นนอะไม่กลัวเลยเลยบางทีมากลิ่นเหม็นเลยนะ อบอวนอยู่นั่นนะ่ะเ่ามีพระรูปหนึ่งท่านก็ไปนอนอยู่วัดหนึ่งก็เรียกวัดโลกาที่พญารามนี่พระท่านไม่อยู่ก็เออท่านไปเผ้าเฝ้าวัดท่านน่นก็ไปนอนทีนี้ที่ท่านไปนอนอยู่ก็เหมือนมากเหมือนอย่างกับซากศพเน่าเลเหมือนโอ้ยไม่ไหวละโอ้ยที่นอนทีก็แผ่เม่ยามแผ่เมตตา ง, งัยก็ไม่ไปไม่หาย กโอ้ยไม่ไหวแล้วห้องนี้อยู่ไม่ได้ท่านก็เลยต้องออกจากห้องนั้นเนะี่ยแล้วก็มานอนอีกอีกข้างนอกมาปูบอโอ้โหไม่ไหวเหมือนอย่างกระบเหมือนศพอยู่ต่อหน้าเลยว่างั้นเดียวแต่นี้พอตอนเช้าท่านก็ตื่นแล้วก็ไปดูมันเหมือนอะไรไปดูโอ้เห็นงูตัวเป็นงูกระบาดตัวเท่านี้ก้อยเนี่ยมันขอดอยู่ตรงจมูกท่านที่จากที่ท่านนอนเลยโอ้โหก็บอกว่าเอ๊ะกลิ่นเหม็นนะช่วยท่าน ถ้าไม่ถ้าท่านไม่ลุกจากตรงนั้นนะคืนนั้นนั่นโดนงูตัวนี้ากัดตายท่านบอกโอ้โหขนาดนั้นนี่นี่นี่กลิ่นต้องมาทางกลิ่นเลยมาช่วยใช้กลิ่นเหม็นเน่าเนีเน่ยมาช่วยเลยไม่อยากให้พระท่านตายบางคนใช่ไหมบางคนก็มาคันท่สัญญารสษาสัญญา ติดในรถแล้วเกลียดในรถมีเยอะมรถรถที่มันน่าปลาธนาชอบใจมากอยากจะลิ้มอยากจะชิมอยู่เสมออยากจะกินไกลแสนไกลขนาดไหนก็ไปเคยไหมเดินทางกันวุ้ยจะไปกินบางทีต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปลต้องไปกินในตัวนี้ให้ได้เคยมีกิจกรรมกินกันอยงี้ไหมไม่ถึงขนาดนั้นนแล้วว่า ที่มันเกลียดมากไม่ชอบอบางคนไม่ชอบทุเรียนบางคนไม่ชอบขนุนบางคนไม่ชอบมะละกอไม่ชอบอะไรเนี่ยเนยไม่บางคนไม่ชอบไอปลาหมึกออตอนสมัยเป็นเด็กๆเกนี่ยไม่ชอบปลาหมึกตอนนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันแค่ได้กลิ่นแค่นะั้นนะโหไม่ไหวเลยอยากจะเป็นลมมาเลยทนะียนี้พอกินพอกินเข้าไปปุ๊บมันตุ่มขึ้นตามตัวเต็ม เนี่ยมันรัษาสัญญาได้ไร้รดแล้วไม่ได้เลยมันไม่ชอบใจะอะรร t h ะสัมผัสที่มากระทบทางทวารกายแล้วเนี่ยเป็นอารมณ์ที่น่าปลาถนาเราเป็นคนติดในสัมผัสไหมติดไม่ติดหน้าหนาวเนี่ยติดในสัมผัสอุ่นๆ<ฮ> <laughs> ไหมโอ้โหช่งไหม ให้ติดในสัมผัสถ้าสัมผัสที่ไม่น่าปราถนาโอ้โหไม่เอาเลยไปสัมผัสปุ๊บแล้วมันคันขึ้นมามันคันขึ้นมาเป็นผื่นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนมี่ยเนี่ยกรณีแบบนี้เนี่ยนี่แ้ก็โพธพสันเจตนาถ้าธรรมะสันเจตนาก็คือมุ่งหมายคือความจงใจต่ออารมณ์ที่ทางมโนทวาร น, นะทางใจเป็นอิทธารมบอารมณ์ที่รู้สึกดีน่าปราถนาน่าชอบใจเนี่ยหลงไหลเนี่ย และปรารถนาจะได้รู้สึกและคิดนึกต่ออารมณ์นั้นๆอยู่ตลอดขวัญขวายหาบุคคลสัตว์หรือสิ่งของที่เป็นเหตุให้ตนเองได้เชยชมและครอบครองเป็นเจ้าของจับจองเป็นสมบัติของตนเองเนี่ยอารมณ์หรืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็อยากจะผลักออกทางมนโนทวารเนี่ยบางคนสร้างจินตนาการเลยนะจินตนาการในความสุขของตนเองอย่างเช่นเคยไหม อเอาเอาปเปยังไบางคนก็มีจินตนาการอยากจะได้บ้านแล้วก็จินตนาการก่อน้ออมีความสุขมากอยกับมันมากว่าที่อยากได้บ้านหลังน้อยหลังนี้หลังใหญ่หลังนี้จินตนาการได้รถได้สิ่งของได้สัตว์บุคคลอะไรก็แล้วแต่มันจะมีจินตนาการมาก่อนเนี่ยอ้นี้เขาเรียกว่าไอ้ตัวธรรมะธรรมะสัญเจตนาเจตนาในการที่ต้องการยึดถือครอบครองอยากจะได้สิ่งนั้น บางคนฝฝันตั้งแต่เด็กเลยเคยมีไหมเคยมีจินตนาการตัวยนี้ไหมยฝ่ฝันมีไหมมีไม่มีจินตนาการอยากจะเป็นอะไรอยากจะได้อะไรเกี่ยวกับบุคคลก็ได้สิ่งของก็ได้สัตว์ก็ได้เยอะเลยใช่ไหมจินตนาการวกมโนพวกร้ <c oughs> เนี่ยจินตนาการนี้เขาเรียกว่าเนี่ยธรรมชาสังเจตนาะแล้วก็ไม่ชอบใจอะไรก็จะเกลียดสร้างจินตนาการขึ้นมาอยากจะหนีอยากจะพักออกบางคนสร้างจินตนาการรังเกียจรังเกียจไอ้กิ้งเกือทั้งทั้ ง, ท, งที่เขาก็เป็นของเขา อ, อ, อ, อยู่อย่างนั้นเลยแต่สร้างจินตนาการจนรังเกียจจนกลาย ร, รู้สึกว่าไอ้กิ้งเกือข้างนอกชักไม่น่ากลัวกับกิ้งเกือภายในมันฝังไว้ในใจเรียบร้อยไปแล้ว เนี่ยเไอตัวเนี่ยไอธรรมะสังเกตนาเนี่ยมันปงแต่งจะเป็นน่ากลัวมากอย่าว่าจะไปเห็นเลยใครพูดชื่อมันก็ไม่ได้หรือขนาดนอนอยู่เนี่ยเสียงอะไรก็แกล้งแกล้นึกว่ามันเดินมาแล้วโอ้โหแทบจะร้องกรีดเลยอย่งนั้นถะเห็นตัววันเดอร์แล้วเนี่ยแหมมันยิ่งไปใหญ่เลยปงแต่งอะไรจนเยอะแยะปงแต่งความน่ากลัวมันจนนั่นเน่ยเคยเป็นไหมวิธีการแก้ทำไง ก็เอากินเกือไปปล่อยไว้แล้วก็ไปอยู่ห้องนั้น เ, นเขาจะร้องอยู่พักๆเดี๋ยวแป๊บเดียวแต่ก็แต่ก็ก็เออเป็นเพื่อนกันแต <laughs> ่กเ็เอามาตายได้ก็บางทีมันจะสุดตรงบางทีเราเกลียดก็เกลียดสุดตรงรักก็รักสุดตงรงจำเกล็ดอหมบางคนอย่างมแมลงป่องเนี่ยนะไอ้ยามเกลียดอีกคนเกลียดก็เกลียดจริงจริงไอ้คนที่ไปรักเอามาตายตามตัวนอนอยู่กับมันลเลยเงี้ยเงี้ยงูเหมือนกัน เกลียดก็เกลียดที่สุดแต่พอไปรักกันขึ้นมาก็โหยนอนกอดกันอะไเลยกระสุนนั ก, กเกลียดก็เกลียดสุดพอรักขึ้นมาก็โหชอบขึ้นมามันนอนอยู่ในห้องตื่นขึ้นมาแอบดูกันเลย <c oughs> <c oughs> เคยเป็นไหมล่ะก็เคยเป็นยังไม่เคยเป็นขนาดนั้นบางคนก็แมวบางคนก็สุนัขบางคนก็นกเนี่ยไอ้นกหัวขวานเนี่ยชอบเลี้ยงกันจริง แล้แต่ก่อนเจ้าใหม่เนะมันเลี้ยงเป็นไปว่าโอ้โหทำไมทำอย่างนี้ขังก็เลยบอกว่าเนี่ยกรรมที่เองทําเนี่ยถ้ามีใครสักคนหนึ่งเขารักเองมากก็ยังไปใส่กลงไว้เฉยชมอยู่ยังชอบใจไหมไอ้กรรมที่เองทําไปต่อไปเองก็จะถูกเขาขังไว้ในกลงอย่างนี้เกิดในอัตภาพใดก็รักเองมากเอาไว้ดูเขาไม่เคยถามความรู้สึกเองว่าเองชอบอยู่ในกลงหรือไม่ชอบแต่เขารักก็ตอบต้องการเอาเอาประบมเลอทางจิตใจเขา ไปๆมาก็ปล่อยไปหมดเลยดินแต่ก่อนก็ไปเห็นโอ้ยังร้องนั่งบนเบารถก็ยังเอามาด้วยอะไรด้วยลากขนาดนั้นเนี่ยบางคนตื่นขึ้นมาก็ต้องมาดูใส่กรงเป็นแถวเข้าไปเวไปแข่งขันกันเดิ น, ะ เ, น, น เ, เนี่ยนกเขาเงี่ยนะโอ้โหแข่งขันกันตัวเป็นหลายแสนเป็นหลักร้านก็มีนะนกเขาเนี่ยแค่มันร้องเนี่ยนกเขาร้อง วันๆก็คอยฟังมันร้องร้องเพาะไม่เพาะยังไงนี่ขนาดนี่เจตนาเจตนาหกมีอิท ธ, ธิพลมากนะกับกระแสชีวิตสี่ทีโมงแล้วพักเบรกสองชั่วโมงนึง